สาสนะพิธีมันเกิดเป็นมันเกิดเป็นพิธีขึ้นมาแต่ครั้งพุทธกาลนั้นเขาไม่มีพิธีพออุบาสกอุบาสิกาผู้ใดเลื่อมใสในเู้าพระธรรมพระสง์ พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมของของของของต้นเขาที่เกิดที่มีพุทธศาสนาน่ะวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นเขาปฏิญาณตัวเลยคงจะคงเคยอ่านเนาะอ่านวัฏเนาะข้าว่าเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงอืมแต่บูสาพันธ์นี่กะ ข, ข, ขอถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรม ข อ, อจงอทรงจำข้าพเจ้าไวา้ว่าเป็นอุบาสกอุศิกาืาเขาปฏิญาณตนไม่ได้รับสินสินนั้นอยู่ในพระธรรมแล้วความหมายของของนะเข้าใจนะแต่สีนี้มันมีอยู่ในหมวดธรรมที่พระเจ้าสอนเขาก็ปฏิบัติไปเลย มาตกอยู่บ้านเราเมืองเรามาตกอยู่สีลังกาไปเอาของสีลังกาเข้ามาจากสีลังกาก็ามาประเทศรามันมอนเนาะแต่ว่าไม่มีมอนแล้วเดี๋ยวนี้พมากลืนหมดแล้วนั่นแหะตกมาอยู่มอนทำเรียมของมอนเขาก็จะเขาก็จะก็จะทําแบบ แบบอินเดียล่ะเลมเขาจะว่าเอาเลยเวล า, าเขามาในอลาธนาเขาไม่ได้ขอเพราะว่าไม่ใช่ทําขอเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะปฏิปฏิเจ้าตัวอยากได้ให้ทำโอเค อ, อใช่ไหมศีลก็เหมวนกันเจ้าตัวงวดเว้นบาปเจ้าตัวก็ตั้งสัตว์งวดเว้นเอาเอง มัเป็นหลักกรคำหลักกรคำนั้นเป็นเป็นนิยามอมืแล้วก็เอาภาษาภาษาบาลีมาใช้แล้วเนาะนิยามคืออะไรเอาภาษาบาลีภาษาธรรมของมูขเจ้าไปใช้แต่ก็เอาไปใช้ไม่ถูกอืมีมจํากัดอยู่แค่นั้นนะอืภาษาโลกก็เอาไปใช้ โลกก็มาใช้โลกคืออะไรประเทศก็มาใช้ไม่ใช่ภาษาเรามันภาษาบาลีเหตุนั้นน่ะเวลาเเวลาไปใช้แล้วก็เอามาใช้จำเพาะเม่ตักว้างขวางอืมนิยามนิยามก็เอามาใช้อีกเนาะพอรู้แล้วเนาะ นิยามคืออะไรนั่นแหละเจสีนี้จะว่านิยามนิยามให้ฟังให้ความรู้ก่อนเพรา้เมื่อเมื่อรู้แล้วอืมมันจะเกิดปัญญาความคิดเพราะว่าตามหลักธรรมตามธรรมดานตามหลักอริยามานะังนะท่านตั้งปัญญาขึ้นก่อนสมาทิิสมาสังกะปะขึ้นก่อนอืมพอใจจีขาท่านก็เรี้ยงเอาไว้สูง อืมอันนี้สําคัญนะเป็นหัวหน้าศีล ส, สมาธิปัญญาหัวหมายว่าไงหัวหมายทั้งหลายทั้งพวงมันหมายถึงจิตกระเจตสิกบอกมาจากท่านรู้ท่านเดียวอืมีมท่านรู้ท่านเดียวเท่านั้นบรรดามีเออบรรดามีทั้งหลายมีท่านรู้ท่านเดียวทํางาน จิตเฉยแต่สิบเป็นบุญและบาปเกิดบุญและบาปธาตุอื่นไม่ใช่ธาตุรู้ก็จัดเป็นรูปทั้งหลายทั้งปวงรูปประรูปนี่ไม้เนี่ยเสียงอาจจะมาพูดออกไปนี่ยเป็นรูปพูดไปปุ๊บมันก็ดับปั๊บไปเลยอันนี้จัง อันนี้จังก็ยุอยู่หมดทำมนิยา ม, มนี่เป็นนิยามอีกเลยใช่ไหมเนียมเป็นนิยามของมันอาจจะมาพูดอยู่เนี่ยเป็นนิยามทำมนิยามอันนี้จังทุกขังอนาาัตตาเป็นนิยามอีกแน่นอนที่จงต้องดับไม่เที่ยง ตั้งอยู่ไม่ได้แน่นอนที่จะต้องตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับดับหายไปแล้วไม่ใช่ของไข่หาตัวหาตัวไม่ได้อจจมมาก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นของอาจมมาเพราะมันดับไปแล้วเนาะนั่นแหละนิยามแปลออกมาว่าแน่นอนความจริงที่แน่นอน หลักนิยามตรงกันกับที่เราเอาไปไ ป, ไปรู้ไหมที่เอาไปใช้ในในภาษา่นะแม่เนีไหนเขาใจความแน่นอนความจริงที่แน่นอนไม่มีผู้แต่งไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่มีเจ้าของมีผู้บรนดาลให้มันดับไมมเสียงเนะี่ยมีเจ้าของแต่งให้มันดับไหม วิจารของแต่งนะมันเกิดขึ้นมาไหมมีตัวมีตนไหมวีม่ตกวิจารขคือมันจะพูดออกมาไปเลยท่านแปลว่าเสียงนี้เกิดจากอุตุกกิทธ์นั่นเห็นไหมจิตวิตกวิจาร์จิตคือเจตสิกนั่นแหละวิโตกวิจารซะก่อนพูดออกมาเป็นภาษา ภาษาของมนุษเนยเนี่เป็นที่เป็นที่ภาษาพูดได้ดีที่สุดชัดเจนที่สุดอสัตว์ดิโนชานพอลรู้อยู่เนาะนั่นสมองของสัตว์ดิโนานเป็นยังไงอก็รู้กันแล้วปากของสัตว์ดิโนานเป็นยังไงนกมันพูดได้เนาะลิ้นนกเป็นยังไง กับลิ้นของคนนั่นแหะเข้าไปหมวดจิตนิยามกับกรรมนิยามอีกเลยเนี่ยกรรมนิยามก็แล้วกรรมมันแต่งมาแต่งลิ้นมาแต่งปากมาแต่งมือหมดใช้ค <c oughs> าว่าแต่งอืมเท่นี่ออกมาเป็นภาษานะเลยเท่นี่แต่แต่ก่อนว่าอนิยามบอกว่าไม่มีผู้แต่งไม่มีผู้ทราบไม่ว่าต้องพูดเป็นภาษาซะก่อนอเข้าใจในนั้นะ ถ้าถามไปหาจริงๆว่าใครเป็นผู้แต่ง ม, มีใครรับรองไหมมีใครยืนยันไหมนั่นแหละมันจะหาตัวหาตัวไม่ได้นี่นี่แหละเ น, นเกิดจากกรรมเกิดจากจิตจากกรรมจากอุจุจากอาหารเห็นมไหมเมืมาา่อเช้าเห็นไหมเมื่อเช้านี่พักกันกินอยู่นะั่นถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้ทาน หลากหลายสารพัดทั้งน้ำทั้งอาหารหจะพูดออกมาเป็นเสียงได้ไหมเหนื่อยพูดไม่ไหวแล้วทักเกิดเราไม่ได้กินสักสองสาวันสักเจ็ดวันโ อ, โโอ้โหจะพูดเลยเสิเจอมั้ยสี่พันวันไหวไหมนัม่นนี่มันเกิดจากอันบูดิ์กรรมก็เป็นนิยามมีอยู่ห้าทั้งมวล นิยามห้าส่วนมากพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่ยถึงเรื่องเรื่องนิยามมัไม่ค่อยได้ยินกันแต่มันมีอยู่ในธรรมมีอยู่ในธรรมะของพระเจ้ากระจายกันอยู่แล้วไปอยู่เพราะว่าธรรมะแปดหมื่นสี่บันพระธรรมขันไม่รู้จะไปอยู่ขันไหนเข้าใจในที่นี้น ะ, ะ น, นะนิยามห้า ทำรรมณียามอ น, นิจังทุกขังขอนัตตาจิตนิยามจิตอะไรก็สร้างนู่นต่ำสุด เ, เวจีสูงสุดพรมโลกเนี่ยจิตเนี่ยแล้วก็กรรมอีกเนี่ยคำกรรมไว้ น, นั่นแหละถึงไปอยู่อย่างนั้นถึงจะเขาเขาสร้างให้สภาวะให้ไปอยู่อย่างนันต่ำสุดอย่างนั้นสูงสุดอย่างนั้น จิตนิยามกรรมนิยามเจต น, นาออกมาจากจิตจเจตสิกถ้ามีโลภะโทสะโมหะเป็นผู้นำก็เป็นอกุศลคือบาปถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะอโลภะอาโทสะโมหะมีศีลสมาธิปัญญา เป็นผู้นำก็เป็นกุศลมีแยกออกม่ได้อย่างนั้นเห็นไหมเมื่อมีสิ่งหมู่นั้นเป็นผู้นำแล้วถ้าหลงโลภแล้วมันจะสั่งงานออกมาให้พูดเป็นเสียงอะไรก็จะรู้เนาะในที่บ้านเมือ ง, ของเขากำลังส้ำแอาใสยเนาะ เนาะกําลังสนุกสนานเนาะนั่นแหละโลภะโทสะมันโมหะเนี่ยมันสั่งงานออกมามันเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันจะสั่งมาทางวาจากายกรรมสะออกมาเป็นกรรม่ากรรมมันบทสิบกายกรรมสามวาิจิกรรมสีรรมส่รรมโนกรรมสามนั่นออกมาเลยนะี่เป็นหมวดกรรมแล้วเนี่ยออกมาจะสั่งสามท้าวาน แยกออกเป็นสวรรท์วรรค์สามข้อสร้างป่ากออกมาให้พูดข้อโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะให้พูดมันเป็นไปสื่อสารกันอืมีสี่เลยนะเห็นไหมสื่อทั้งหลายนี่นี่ี่บริษัทของเราสื่อทั้งนั้นเลยทําไปทํางานอะไรบ้างสื่ออะไรบ้างปั่นนั่นแหละนี่เนี่ยปากของเราเนี่ยดูสิดูอาคารสิดูเครื่องมือเครื่องใช้ดูสิ นี่ออกจากปากเลยจะจิตเป็นฟุตสั่งงานออกมาเน่นออกมาเลยนะอืมนิยามเออออกมาจิบจา ก, กเจตสิกเจตสิกที่เศร้าหมองก็โลภะทุศารมุหะเจตสิกที่ผ่องใสก็โลภะทุสารมุหะถวายบุญก็มีอย่างนั้นนี่ออกมาสามเลยนะนิยามอันที่สี่อุตุ อุตุก็เย็นรอนอ่อนแข็งทั้งนั้นเลยพอจะรู้แนละ้วอุตุเนาะอือนี่เสียงคืออยู่นี่ถ้าไม่มีอุตุนี่จะได้ไหมเนี่ยเห็นปรับอุตุให้มันอยู่พอดีพอดีร่างกายขอมีร่างกายอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็มีอยู่แล้วอุตุเพราะเกิดเพราะว่ า, ร, า, วารูปวันนี้เกิดจากอุตุอืออุตุทั้งหลายทั้งปวง ก็ประกอบเขากันดินน้ำลมไฟทัดนหลับอุตุนิยาสัมพันธ์กันได้ยังไงอันที่ห้าพีชะเมื่อเช้าต้องกินอะไรบ้างมีผักเนาะน่นข้าวเนี่ยขาดได้ไหม นั่นล่ละพีชะพืชพูดพันธัญหารมีเต็มแผน่นดินเต็มโลกเลยอยู่ใต้น้ำก็มีใครเป็นเจ้าของแต่งมันขึ้นมาถ้ามีเจ้าของอาจจะมีคนมายืนยันเนาะอาจจะมีผู้มายืนยันว่าเราเนี่หละเู้สร้างมันขึ้นมา มีใครตอบได้ไหมไม่มีทางตอบได้ป่าไม้ภูเขาที่เคยไปเคยเคยไปเห็นไ่มป่าธรรมชาติผ้าเท้าของเราเนี่ตัวแค่ไหนนเหยียบลงไปก็ติดไปหมดเลยพีชาพืชนี่นพชานิยามพืช เป็นภาษาบาลีเราบอาว่าพูดๆอยู่นั่นแหละเป็นภาษาบาลีอืมนั่นไ้ไหมอาศัยอุตุทั้งหลายทั้งปวงอาศัยธาตุหลับมารวมกันแล้วประกอบเข้ากันแล้วดุนยภาวะเรียกได้ว่าอุตุดินน้ำลมไฟถ้าเกิดเสียดุลขึ้นมาก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้เสียดุลเยอะเลย เห็นไหมถ้าเสียดุลปุ๊บนิยามมันเสียอะไรเนะี่ยนิยามมันมันมันไม่ส ม, ม, ม, มดุล น, นมนุษย์จิตนิยามกับกรรมนิยามก็ระสับระสายทำงานระสับระสายกันไปเลยเลยเห็นไหมสัมพันธ์กันไปหมดเนาะใช่ไหมถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง มีอันเป็นไปแล้วอืมอันนั้นก็เสียดุลเดี๋ยวนี้มนุษย์จิตนิยามกับกรรมนิยามอืมไปเล่นงานธรรมชาติจนเสียหายยับเยินไปหมดอุตุนิยามก็เสียดุลไปหมดทีนี้ธรรมนิยามอนิจังทุกขังนัตต า, า ก, ก็ครอบไปหมดเลยทีนี้สั่นสะเทือนไปหมดเลยสัมพันธกันไปหมดใช่ไหม จิตนิยามก็ได้ทุกที่นะเออกรดกรรมนิยามทำไาสาลพัดทีนะ่เนี่ยเห็นไหมขมโยมยไม้กันทำลายทาลายป่าเออทำลายน้ำทำลายอะไรเออนี่นี่ไงเสียดุลความเสียดุลกระทบไปหมดนิยามทั้งห้าอย่างนี้สัมพันธ์กันไปหมดใช่ไหม เนาะนี่ให้เรารู้นะที่นี่นะนี่นี่ระบบที่ที่ที่ที่เราใช้นะอยู่เนี่ยนี่นี่เนี่ยบริษัทของเราเนะี่ยเกี่ยวพันกันทั้งนั้นเลยเรื่องนิยามอือสัมพันธ์กันไปนหมดเลยก็ไปเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟอะ่ะอืมมันเป็นรบกวนระบบธรรมชาติของเขาอืมไฟอากาศนา้ำดิน ัมพันกันไปหมดเลยฐาดหลักใช่ไหมลนะ่ะอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเ น, นี่ยก็อนิจจังทุกขังอนัาธรรมมรยาบีเนะนี่ยน่นะทำไมตรงกันเป๊นนะล่ะนี่มทพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงไอน้นี่นีพันกันไปแล้วเนะี่ยนี่ก็เลยยกให้ฟั ง, งนีน่มันเกี่ยวพันกันไปอย่างนั้น เห็นนั้นนี่ะทีนี้เ น, น่นี่เราจะไอ้รับสินอยู่ที่ไหนกาลังเกียมตัวรับสีนยู่นะความจริงไม่ต้องมาขอสีนว่าเราจะให้เกิด น, นำให้ก่อนนำพาะบทก่อนเพราะว่าจะรับสีนมันเป็นกุศลใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นกุศล เออมันเป็นกุศลอันหนึ่งคืองดเว้นบาปสีนงิงดเว้นบาปเพตุ น, นั้นมันไปนเข้าหลั ก, กจิตนิยามกับกรรมนิยามเจตนาไม่ต้องมารับกับพระก็ได้ไม่ต้องทำพิธีไหว้พระทั้งเชา้าทั้งเย็นให้ทำนี่ปกตินะอาจมาจ้าว่าปกติ ของผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระราชณาธิยอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัชนาธัยแต่ยังไม่แต่ยังไม่แต่ยังไม่เ ท, ที่ย ง, งแท้แน่นอนยังไม่ถึงวัตรพรราชณาธิยแท้นะนี่ว่ากันเข้าใจะนะอืมทั้งเช้าทั้งเย็นไหว้พระแล้วตั้งสัตยมรทานศีลตั้งสัตตั้งใจเอาก็ได้ มสามาทานเวลาเจตนาเวลาสัมปัตตวิปรัสพิเศษอีกสมุเฉดทวิรัชสมุเฉดทวิรัตนี้เป็นของพระรีเจ้าพูดถึงธรรมแล้วพระรีเจ้านับตั้งแต่โสดาขึ้นไปพูดถึงกระแสพันิพานเมื่อเขาไม่ได้รับศิล ถ้าเขาทำก็เขาก็ทำเป็นพิธีพูดง่ายเป็นภาษาดา ล, ลาภาษาพื้นบ้านแล้วว่าอัตโนมัติมีอยู่ในตัวแล้วเขามีฮีริโอตาบายอยู่ในตัวแล้วไม่ได้สมาทานมันตั้งหยงง่างนั้นเขารู้โอ้ทำอันนั้นเป็นบาปเป็นบาทเป็นบ า, นบางดเว้นไปปุบปบปุบปุ บ, ป บ, ปบเลยเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้จะไม่ล่วงเกินศีล อันนั้นสมุเฉททิดเถอรัตเฉ พ, พาะพระเดเจ้าสาําหรับผู้ยังไม่เป็นพระเดชเจ้าต้องทําพิธีรีดองมีอะไรสรักอย่างดูในสามแบบคือสมทานวิรัชกับเจตนาคือดั้งสัตว์เอาสัมปัตาวิรัชอีกเป็นสามเจตนาอสมทานวิราชนั้นคืออย่างเราจะจำทํากันอีนี่แหละอืมนี่อันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อลาธนา เออหมายถึงว่าเชา้าเย็นเราว่าเอาม่นต้องอ า, าิราตนามันต้องมีการขอเสร็จแล้วก็พูดทางตั้งนโมว่านโมสามจบอืมขึ้นครูเสียก่อนเออไหว้ครูคือพรูพุทธเจ้าอืึ่งแล้วก็วกออกออวพู ด, พดาออทางสารานังคัตฉามิทธะมัาางสารานังคัตฉาว่าว่าปากของเรา แล้วก็ว่าศีลโตเออนี่ยแหละเป็นศีลอต่ น, นี่สมทานวิรัติว่าป่าง่ายกว่านั้นอีกสินะถ้าอยู่ในสถานที่ไม่อําอนวยยกตัวอย่างเนียอยู่บนรถหรืออยู่ที่ไหนเออบนันนมมือยกมือใส่หัวไหวยอยู่ในจิตใจเองไหว้ยอยู่ในจิตใจปรดีเอว ก็นโมตสะขึ้นหูนึกอยู่ในใจจะ ง, งดเว้นข้อดันข้อดังข้อดังข้อนั้นเนี่ยเจยสนายวิรัติสองแบบแล้วเนาะแบบที่สามสำปัตตะวิรัติงดเว้นโดยสุขเฉินรู้ไหมสุขเฉินเนีย่ยจำไว้นะชาพุทธนะ่ แล้วเราแล้วราเาสำหรับเราเป็นตั้งชมรมขึ้นมานให้รู้ถ้าไม่รู้โอ้โหมืนอนั่นแหละสตตามปติวิรัติงดเว้นโดยฉุกเฉินมีไงคือนึกปุ ป, ปับโอ้มันจะผิศีลยุงยุงมาเสียบอยู่ที่นี่เงี้ใช่ไหมนะไล่เอางดเว้นเดี๋ยวนั่นเลย ไล่พไล่เอางดเว้นเลยไม่ฆ่ามันงดเว้นเลยไม่โกหกงดเว้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอันนี้อันนี้ไม่ดีไม่ใช่ฆ่าตัวนะที่นี่สารพัดตัวที่เนี้ยไม่รู้ตัวไหนตัวไหนมันโอ้ยได้ออกเป็นตัวเลยที่เนีเป็นเรื่องๆไปเลยที่นี้ยโอ้อันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นโทษนนี้เป็นโทษเป็นโทษข้ายกคำสามมันจีกรสม่มันโวคำสามมันออกมาปุกกระจายออกไปสารพัดที่เนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งเยอะเลย เห็นอยู่ในจอเล็กจอใหญ่นจิมจิมเขี่ยียเขี่ยจิมจิมเขี่ยอยู่นอันนี้มันเป็นอะไรนีเป็นอะไรงนั้นเลยอืมเป็นสีนั้นนั่นนะเออสีนั่กระจายออกไปแล้วสินะยิ่งมีเครื่องใช้เนี่ยยิ่งกระจายออกไปเลยไม่ใช่ตัวเดียวเลยเนี่ยไม่รู้กี่ตัวสินะก็ประมวลลงมาแล้วก็มันมีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสโภชนาห้าอย่างอืมใช่ไมรูปสีเสียงเสียงอยู่ในจอนิจิมเขี่ยจิมเขี่ยอยู่นี่ เป็นสีแน่แน่เนี่ยเห็นไหมฮะสังวรอยู่ในหมวดอีกอยู่ในหมวดที่ไหนเ น, น่อืมอินทรีสังวรศีนอยู่ในหมวดด้เห็นไหมบาลีสุดที่ศีนศีนีกอธิบายศีนนะสักครัเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจ ะ, จะได้ตั้งใจถูกอินทรีสังวรศีน ทำไมจึงเอาอินทรีย์มามามามามามามามาว่าศีลใู่ไหมเพราะว่าบาปจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นเกิดขึ้นที่ตากับรูปเห็นไหมอยู่ในจอเนี่ยกิ้มเขียวกิมเขียวอยู่เนี่ยอืออีกสารพัดออรูปนั่นคู่กับตานั่น่แหละบาปจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี่แหละอ่าการหาจะเกิด ราคาจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นั่นโทสะจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นั่นมหฬารไม่ต้องพูดเลยมันหลงก่อนแล้วหลงลบแล้วหลงโกรธแล้วสินะหลงรักหลงชังเลยสินะไมนะ่น่ะบาปจะเกิดก็เกิดขึ้นอย่างนีเหตุนั้นทั้งจัดอินทรีย์สังวรศีลขึ้นมาให้สมัมบูรณ์เราเรามงตาหูจมูกลิ้นกายใจลงไปเลยสินะ่ะเห็นไหมอินทรีย์รวมทั้งรวมรวมไปทั้งโขดเลยสินะ หกทางเพรนนั้นจะเปรียบจอมปวกมีอยู่มีพราะจอมปลวกนี่ยมีอยู่หกรูหมายถึงตัวตัวเราเนี่ยเออมือ ม, มีทวันหกเทวันข้าวว่าต่างหากเนี่ยเนะทวันตัวนี้เทวันเป็นบอกเกิดบอกเกิดของบุญและบาปบอกเกิดของจิตนี่แหละแต่๋ยวจิตนั้นนะ่ะมีอะไรถ้ามีโลภะโทวสามโมหะเป็นตัวนํามันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเหตุี่เกิดโลภะโทวสามโมหะ นนเห็นไหมนะเมื่อมันเกิดขึ้นที่นี่เห็นนะั่นเอินทรสังวรสินโหละเอียดลงไปอีกแน่แนะปัจจยนิสิทสิ น, นเห็นไหมทานอาหารอยู่เมาาื่อเช้านะอืมละเอียดไหมหมดสินใช่ไหมถ้าทานบริโภคด้วยตัณหา อืมด้วยความอยากตัณหาเอาง่ายๆนะโลพาทูซาไปอุ้ยมันไม่อร่อยเว้ยอ อ, อุ้ยอร่อยเว้ยยางไงเออใช่ไหมนั้นเห็นไหมบาปเกิดขึ้นแล้วเพราะโลพาทูซาบุหาเป็นตั ว, ต ว, ต ว, ตวมันว่าอคุศลนะเห็นไหมนะท่านจัดท่านจัดขึ้นมาให้มาให้ใหใหใหมาเป็นมาเป็นสีหมดสีเออเนี่เสื้อผ้าอาพรของเราเนี่ยทั้งได้เลย มีเครื่องใช้ห้องของต อ, งองยเต็มไปหมดเนี่ยนี่นไปนั่งเขาอีปุ๊บอดโทเออน่ยตันหามเกิดแล้วบาปแล้วนั่นล่ะสิสีละ ส, สีลังสีเหลปกติเนี่ยเอเนี่ยปกติผิดปกติลยเสีเนี่ยถูกไหมละ่ะไม่ได้มานั่งเบาเลยไม่ได้ทานเาเลยผิดปกติไปหมด <c oughs> นั่นะ ในภาษาศีลปกติผิดปกติคือผิดศีลใช่หเนี่ยภาษาภาษศีลมันศีละเศียงศีละ ร, ร, รมันมันเป็นภาษาบาลีมันเป็นภาษาบาลีนั่นแหละไอ้พอรู้เนื้อที่เนาะปัจยจะนิสิตศีลให้พวกเราชาวชมรมในที่ว่าพุทธศาสตร์อะไรปฏิบัติให้ถูก ให้รู้ีเนี่ยเป็นศีลโอ้ละเอียดยิบเลยเนี่ยเสออื้อผ้าพอนับครบหมดเลยรดลาเปเครือร่ อ, รองใช้ ข, ของสวยอืมปัดใจอืมการเสพปัดใจอืมเสพของเวนี้มีของกี่อย่างเออดูสิละมันกี่อย่างอืม มันเป็นดาบสองคมทับุนนะ ม, มันเป็นดาบสองคมอาหารเนี่ยถ้ากินไม่เป็นได้โทษรโรคภัยก็ไ้เจ็บก็ตามมามกิเลสก็เกิดขึ้นได้โทษได้บาปเหตุ น, นั้นท่านงท่านึงมีทำให้สอนมีันจำาสอนให ใ, หให้พิจารณาเนี่ปัิจันเนี่ยนิสิตินเนี่ยปริสังขาอยู่นิโสปินดาบาตัง เราจะเสพมาอาหารเพื่อพ่อประทังร่างกายอยู่ได้ไม่ได้เสพเพื่ออร็สอร่อยเพื่อให้อ้วนผีเพื่อให้เป็นนักป้อมนองหมวยน่นสนนนวนเวลาทานไปพิจนาไปอโอ้ยิบเลยนี่หลับภาวนาทั้ง น, นั้นแน่ มุงจะแยกศีลออกไปที่ไหนมุ่งจะแยกภาวนาออกไปที่ไหนมงจะไม่รู้จะแยกสมาธิออกไปที่ไหนไม่รู้จะแยกภาวนาอยู่ที่ไอไอไอวิปัสสนาอยู่ไหนรวมศูนย์อยู่ในหมวดเดียวกันเลยกินดวงเดียวทางานเป็นมัคคสมางคีนั่นเห็นไหมเนี่ยเขาทางานประสานกันหมดเลยเออแทะแทะที่เนี่ยเอาแทะแทแล้วจะป็นปั่นเออไม่เข้าใจนะทีนี่นะโนนอ่ะ เหตุนั่ น, น่ะให้รู้ให้รู้หลักตรมนี้เอาไว้อืการใช้สวยอะไรเลยหมดโอ้อันนี้นะเพื่อประโยชน์เท่านั้นถ้าไม่ใช่ประโยชน์แล้วถ้านํามาซึ่งโทษมันเป็นให้เกิดมันเป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะเป็นเหตุให้เกิดเบียดเบียนเป็นเหตุให้เกิดความหลงก็อย่าใช้ อ่าเพราะว่าของชายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นของกินก็เหมือนกันเหตุน้วเวลากินเวลาทานเข้าไปแล้วยังอีกห้างหัวคำให้หยุดเลยหนุนวรรุฒโหยิบเลยนีเดืยอไม่ง่ายเลยทีเอืยหยุดก่อนเพื่อไว้เลยของว่างชิมชิมชิมชิมิ ม, ม, ม, ม, ม, มไปอย่าไปกินเยอะนี่นักภาวนานะ ้นักปฏิบัติปานนั้นแล้วก็ให้หยุดเลยทานน้ำตัดตอนเลยทานน้ำเยอะๆก็โดทวนแน่นท้องแลยเนาะมึงอยากมึงยังหิวอยู่เลยมึงยังไม่อิ่มเลยเอาน้ำเข้าไปเยอะๆเนื่เสร็จเลยเนาะนั่นเห็นไหมปานนั้นนะ นี่ละปัจจะนิสิีก็ลงตัวไอย่างนั้นอินทรีลสังวรศีลอมปาฏิโมกขเขาสังวรสังวรศีลอุมศีลตามบัญญัติเอาไว้นี่ปาลิสุธิศีนี่นะอือว่าได้เนาะดอือาะหลักควาลึหาดของเราก็ศีลห้าศีลแบบอือ Yeah. แล้วก็นี่นะอินทร์สังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลต่ว่าให้หมดเห็นว่าการทำมาหากินีน่นี่นี่นี่ น, นี่พองหากินครั้งนั้นเลยนะมาทำงานสุจริตไหมซ้อกงไหมบริสุทธิ์ไหมนุ่นไม่ง่ายนะ นี่ได้ทาทําทํางานอยู่เนี่ยอืมทุจริตต่อหน้าที่ผิดศีลทั้งนั้นเลยนั่นน่ะเหตุนั้นมันโยงไปหมดถูกหรือไม่ถูกอยู่บ้านเมืองของเราเลยทนะ่ากันพากันรักษาศีลเนี่ยเหตุนั้นถึงถึงไม่รักษาศีลไม่งดเว้นบาปมันถึงเป็นอย่างนี้ชัดเลยเนี่ย ก็ลงหลักกรรมอืมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงเนี่ยใช่ไหมเนีย่ยอาชีวาปาริสุทธิศีลธรรมะห้ากาาีนแบบไหนบ้างเงิน่ะเป็นศีลหมดนะอเอาจริงๆอะก็มันเกิดการ ก, การะทาเนี่ยจะว่าไงเกิดกรรมมา น่นในหมดนยาบน่นอีกสิเนี่ยูดูสิละธรรมะของพเจ้านะ่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยลงอยอยู่กับเราหมดมนี่ว่าให้ฟังพอเข้าใจแล้วเนาะที น, นี้เนาะสินทั้งหลายพระพอจะรู้นี่นั่นแหละสินที่สุขเฉินก็ งดเว้นจะข้อข้อไปเลยม่ต้องมัน้องสมาทานมันเกิดขึ้นปุบปุบปุ บ, ปบโอ้นั่นิดผิดผิดิดเป็นบาปเป็นโทษง ด, งดเว้นงดเว้นงดเว้นไปหมดเลยเออศีลไม่ต้องสมาทานมาตั้งปัจจุบันจุอปัจจุบันงดเว้นสุขเสริมเจตน า, าตั้งเอาไว้ในใจ สมารานว่าปากสมุช็ดเป็นของพระนิจเจ้านับได้โสดาไปถ้าใครเป็นโสดามีใครเป็นโสดายกมือขึ้นหรือ <c> พ <oughs> ูดถึงกระแสพระนิพพานาไม่ต้องสมท า, านศีลหรอกเป็นสมุชิดงดเว้น โดยเด็ดขาดข้ามภพข้ามชาติเกิดไปชาติไหนชาติไหนก็ยังมีศีลอยู่เรียบร้อยดีเนาะไม่ต้องยุ่งเนาะมไม่ต้องยุ่งกับใครนี่แหละนี่พระอริยเจ้านับจะสวดาไปมีพอรู้แล้วนะที่นี่นะนหลักศีลเงอยจากนี้ไปที่นี่ให้พระกันตั้งซะโออลธนาอะไรแต่ทางธรรมธรรมดาอาจจมา อยู่วัดกูเหมือนกันใไฮว้าว เ, เพราะฝึกให้รู้ฝึกให้รู้ยิถ้าไม่มีพิธีจริงๆเนี่ยศ า, าลารุงชินนี่ก็ทำอย่างนั้นถ้าเคยไปเคยไปเคยไปศาลาลุงชินก็จะรู้เนาะนี่แหละนี่แหละเขาทำแบบแบบมอนพวกมอนเขาทำเคยไปวัดมอนไหมยังไม่วัดมอนมีนะ แต่ว่าเขาเขาก็จะอามนมันมันมันาอยู่บ้านเราลดมันมาอยู่บ้านเราลแต่พวกมแต่พวกมอนเขาเป็นพวกมอนพวกพม่าเขาถอดแบบจากอนเดียอเอาแค่นี้เนาะเกิดจำแค่นี้เนาะอารมาบทอ่าั้งใจเนอืม้งใจมวเวีนจริงๆนะอืมอืมให้ไปทำอีกต่างหากทั้งเช้าทั้งเย็นอันนั้นพิเศษตัวไก่ตัวมัน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 จนี้ไปเราจะได้ปฏิญาณตนถึงโมหะยพระธรรมวาสุงเป็นสาระที่พึงงง่งก่อนบุตรท า, างสระนังกาชามีธัามามงังสระนังกาชามีสังขังสระนังกาชามี โนติยัมปิบุรางสรนังกาชามิโนติยัมปิธามังสรนังกาชามิโนติยัมปิสังหังสรนังกาชามิตัดติยัมปิบุรางสรนัง c าชามิ ตติยมปิหามังสรังไกฉามิตาติยมปิสังหังสรังไกฉามิตาิยมปิสังังสรนังไกฉามิติสรนังกามังในทวิตังสรณะมุมคมในจบแค่นี้จากนี้ไปเราจะได้สมาานเอาซึ่งสิกขาบทห้า มันเป็นหมวดศีลข้อห้ามเพื่อไปปฏิบัติรักษาไม่งดเว้นไม่ทำบาปเพื่อรักษาพระรัตนารายคือพุทธาณธรรมประสงค์ที่เราปฏิญาณตนถึงเพื่อให้มั่นคงไม่ให้ขาดไม่ให้เบื่อดังพร้อยไม่ให้ทะรุบูโปงเพื่อรักษาสาระเอาไว้ถ้า รักษาศีลไว้ได้สาระก็จะยังอยู่เพรารักษาศีลไม่ได้สาร ะ, ะ, ะ, าาา ะ, ระขาดสแสดงว่าไม่ยอมรับเหตุนั้นเพราะกันตั้งใจมสมาทานเอาซึ่งชิขาบทดปานาติปาตาเวระมณีศีขะปังสมานิยามิ วัดินนาดาณ์เวรวรรณีสิกขาปังสัมาดิยาม่กามสุมิชาจาราเวรวรณีสิกขาปังสัมาดิยาม มุสาวาดาเวบรามังคีสิขาปัะด s เวบร i ังสะมาิยามิสุราเมรยมัญชาปมาดาธานาเวรามังคีสิขาปังสะมาติยามิ อาบูทั้งห้าก็จบแค่นี้จากนี้ไปท่านจะบอกอานิสงส์อานิสงส์ศีลที่บุคคลผูป้ปฏิบัติดีแล้วงดเว้นดีแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านก็ว่ามีอานิสงส์อยู่สามอย่างอานิสงส์ใหญ่ๆคือ่ยวได้สุคติความเป็นมนุษย์อย่างต่ำสูงขึ้นไปว่าโลกสวรรค์ก็พออาศัยศีล จะมีโภคสมบัติร่ลำรวยนับตั้งแต่เศรษทีขาหาบรีสูงขึ้นไปตามลำดับคุณพระเจ้าจากพระดิลาชก็ อ, อาศัยศีลเจะทญธรรมไกิเลสเจริญสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสโลภะโทสะโมหะออกจากสันดานก็ อ, อาศัยศีลนี้เหตุนั้น ผู้รักษาศีลท่านจึงบอกเขาว่าขอให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเถิดนี่ความแปลออกมาแล้วนะมันนี่แปลออกมาจะได้เผยาพ่าเป็นภาษาบาลีอิมานิปัญจาสีลภาปดานิสีเลนะสุ ก, กระดิงยันติสีเลนะโภกสัมปะา สิเรนนนิบุดยันติจัสมาเสิลังวิโสทะเจอ้าวอาลาดนาที่เนี่ยล า, าธนาทมจบมีศีลจบแล้วที่เนี่ยมีล า, าธนาไหมอาลาดนาเป็นไหมตามพิธี สมมาจโลกาทิปปติสหัมปติตัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธะสันติทะสัตตปพระชะักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง <c oughs> มันไปนโรคไซนัสไปรักษาไซนัดเล้วใกล้จะหายแล้วไม่รู้ว่าทำกับมอะไรมันอะไรเป็น เ, ออรปรเล่นจมูกเขาหรือไม่รู้แล้วม <c oughs> าพากันตั้งใจฟัง นโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โกนุฮะโซกิมานันโดมิจังวัชริเตสติ อ, อันทะกาเลนะโอนาธาปีปังนักเวสธาสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกชมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะยันติอิมัตสะ ธรรมะปริยายัจสาอโธสาธายัสมันเตหิสั ก, กจังธรรมโมโซตัปโธตีมาพากันจังใจฟังธรรมธรรมะที่เรากำลังจะฟังอยู่นี้ มันเป็นปริยัตยิอืคือการฟังอืมปริยัตยิเบื้องต้นอืการศึกษาปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทสามขั้นตอนจนถึงปฏิเวทถ้าปฏิเวทยังไม่ปรากฏแล้วก็เป็นนันว่าไม่สมบูรณ์หลกักคุณศาสตรนะปฏิเวทหมายถึงมักผลนิพานมักสี่ผลสี่นิพานหนึ่ง โลกุตระทำเก้ายังไกลไหมยังไกลไหมโลกุตระทำพลโลก น, น, ลนู่นล่ะสุปฏิปโนผู้ถึงกระแสพานิพานหมายถึงพระเรียรสวดาให้จับหลักตัวนี้เอาไว้โอ้ไอเราเนี่ยมันยังอยู่ไกลอยู่เนาะ หรือมันใกล้แค่ไหนแล้วนั่นอะ่ะเดี่ยวความจริงอะ่ะภาษาว่าใกลใกล้ภาษาพูดแต่ความจริงอยู่กับเราหมดแล้วใกลหรือใกล้ก็อยู่นั่นแหละไม่มอยู่ที่อื่นเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขมขันเป็นนวังค่ะสัตทุศาสตร์เป็นปริยัต ชื่อของมันเป็นบัญญัติธรรมรวมลงมาแท้ๆเป็นปรมัตตัวปรมัตฐาแ ท, แท้ย่นสั้นลงมากายกับจิตจิตเจตสิกรูปนิพานแต่นิพานของเราถ้าใครได้ถ้าใครถึงโสดาก็ได้นิพานมานั่งฟังอยู่นี้มีใครถึงนิพานบ้างเนอะ นนถึงหรือไม่ถึงก็ไม่มีใครรู้ไม่ไม่มีใครยืเดเหื่ในใครเนาะทำเองเนาะของใครของมันปัจจัดังเป็นของจำเพาะก็เอามาเปรียบกันนะเหมือนกับกิเลกกิเลกก็ปัจจัดังเนาะใช่ไหมของเจ้าตัวเองเนาะนั่นแหะ ถ้าสามารถกําจัดกิเลสได้ก็ปัจจังอืจำเพาะปัจจังเวดิตาโบอมันห่งหนึ่ให้ทําเอาอเองลงเลยก็ย่นชั้นลงมาเนี่จิตเจตสิกจิตกับเจตสิกก็เป็นบุญและบาปเจตสิกสมองก็โลภะโทสะโมหะใครเอาให้บ้างใครเอามาให้ ไปซื้อมาจากตลาดไหนไม่มีเนาะนั่นแะอืมีแล้ ว, นนะลวหลักคำสอนหูจาไม่ได้อยู่ที่ไหนเหตุนะให้เข้าใจผู้จะ ก, กำจัดบาปมูนี้ก็ศีลสมาธิ ป, ปัญญาภาษาพูดนะเป็นปริยัติศีลโคดเว้นบาป ด้วยใครวาจานั่นว่าออกมาแล้วเลยนะเห็นไหมทำเอาเองผู้จะ ง, งดเว้นจริงๆก็ออกมาจากเจตนาคือจิตสติสัมปชัญญะนั่นออกมาแล้วเลยนะสติปัญญานั่นออกมาแล้วเลยนะมีไหมล่ะ ม, มาอยู่นี่หมดมบําเพ็ญกุศลในทิ้งพร้อ ม, อม ก็ตั้งมันในพระาจนตะใจคือสมาธีทําจิตขององคตนให้หมดจดก็ปัญญาปัญญาวิปัสสนาวิปัสสนามันเกิดขึ้นมาก็กำจัดเลยใช่ไฆ่าเลยอืม เห็นเลยนะในธรรมจกักรท่านว่าปะาห้าตับบันติเมธิคเวประหา น, นเลยเข้าใจนะที่นี่นะปัญญาเนี่ยมักคะปัญญาแ่เศรษฐศส์สสพูดมักคะปัญญาเออฆ่าเลยที่นี่ฆ่าให้ตายเลยเออเพราะมันเกิดขึ้นที่จิตเออ ศัตรูกูอยู่ที่นี่คู่จะปราศศัตรูกอูอยู่ที่นี่อุ้ยง่ายดีเดียวเนาะนั่นเห็นไหมเหตุนั้นใช่ไหมว่าประมวลลงมาเป็นคําสอนวันนี้ก็เป็นวันเริ่มเป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาเปนมาฆะเป็นวันพูดง่ายว่าเป็นวันจตุรงคสันยบาทอะไรว่ากันไป ถ้าใครไปอินเดียจะมันจะได้ไปเห็นที่ที่ที่พระพุทธเจาเ้าแสดงไแสดงไอโอวาตปฏิโมกอะที่เวรว น, นะนั่งอยู่ี่คงมีมีผู้เคยไปบ้างเห็นแต่เห็นแต่รอยเห็นแต่ทราบมีต้นไผเหลือเหลือเป็นสัญลักษณ์อยู่เนา ะ, ะเคยไปนั่ น, นะเว ร, รุเรรู้ไปว่าไม่ไผ ตรงนั้นแหละก็ประกอบด้วยอะไรองค์สี่ชาวพุทธเรารู้กันแล้วเจ้าตุรงกันขจรนิบามวันนั้นเป็นวันเดี๋ยวนี้วันนี้ยังไม่ถึงมันเป็นไม่แค่พิธเีเราเริ่มนูน่นแหละวันเพ็ญปีนี้มันปแปลกแปลกสแปดสองหนเป็นอาทิขมาศ มันจะรู้เนาะอาทิตย์ปว่ายิ่งเดือนยิ่งเดือนเกินแปดสองหนีนี้ไม่ใช่ปกติมากมันก็เลยเพิ่มเขาเดือนหนึ่งธรรมดาเป็นสิบสองเดือนเพิ่มเขาไปเลยเลยเติมเป็นสิบสามเดือนปีนี้เป็นสิบสามเดือนนะนี่นี่จันทรคติมันก็เลื่อนมันก็เลยเลื่อนมา เดือน4ปกติมันอยู่เดือน3เนะาะเหนั้นมันเชงเดือนมาถึงมีนาอืมปเปิดติดอยมีนานิดหน่อย อ, อยน่นะให้เข้าใจใไหมนั้ น, น, นเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอะไรว่ากันไปเต็มหรือไม่เต็มก็ไม่มีใครไปรวัดมันหรอกมีแต่ว่าเอาเนะาะเนี่ยอันที่สอง พระอระหันต์มาประชุมกันอืมพระอระหันต์ทั้งนั้นนะอืมมีแต่ยะยอดเลยพันสองร้อยห้าสิบบงวางันมาประชุมมนโดยมันได้มาดันหมายมันก็เป็นจริงของหมูน่นี้มันของหมู่นี้อัตโนมัติเลยละ่ะให้เข้าใจท่าที่นี่นะ เลยใสคำว่าอัตโนมัติเพราะว่าท่าระดับนั้นแล้วมันต้องพูดอืมเพราท่านบมเพนบาลมีอม่สุดยอดแล้วอืมเป็นอัตโนมัติใส่สับคำว่าอัตโนมัติรู้ว่าไงพูดพศศพว่าอัศจริย์ใส่สับคำว่าอัศจรย์ทีนี้บ้านเราบางเราเอามาใสศศับอัศจริย์สารพัดอืมเนี่ยนะไม่ต้องไปบอกใครก็มาอืม วันนั้นอีกอพระพุทธเจ้าประชุมพร้อมเจตุลุงก็แสดงยประชุมพร้อมอมอืก็เลยโอถือโอกาสประชุมพร้อมกันแล้วก็แสดงโอวาทปฏิโมกข์คำสนวนโดยย่อธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พระนี่ยม่ได้สวดปฏิโมกข์ไม่ได้สวดพระวินัย พระพุทธเจ้าแสดงปฏิโมกข์พอพระพุทธเจ้าแสดงปฏิโมกข์จากนั้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้สาวกทั้งหลายสาธยายพระวินยัยบัญญัติพระวินยัยบัญญัติถึนมาให้สมบูรณ์บางเรื่องเป็นอุโบสถ แสดงโอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกก็สามข้อโดยย่อลงงดเว้นบาปทั้งหลายทั้งพวงไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปว ง, ง, ง, ปงขึ้นขอ้อต้นถ้าใครเคยสวดได้เคยสวดไหมใครเคยสวดไดอุดิตทั้งโคเตนะรวัตาจา น, นตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมบุตเทนะโอวาดปฏิโมขังตีหิก า, าหิขันตีปรมังตโปตีติข้าขึ้นมมเยขันติเลยทนี ถ้ามีใครถ้าไม่มีความอดทนจะอยู Allison, ่ได้ไหมจะมานั safely, ่งอยู่ได้ไหมถ้ามีคุณมีความอดทนใช่ไหมขึ้นมาคุณอตทนเลยอืมขั้นตีปรมังตโปตีติฆานิบบานังปรมังวเดนติบุทานะฮิปบะชิตโตปารูปกะติสมโนโหติปรมวิเหตายันโตสาปปะปัตสักการังกุสละสุปสัมปดาสาจิตะปริโยัดาปะนัง เอตังบุตานาชาสนังโดยย่อสามโดยพิสดารก็ออกมาเป็นหกถ้าใครอยากรู้ไปไปอ่านดูโอวัตปฏิโมกที่แปาไว้พิสดารเห็นไหมนี่เน่นพูดเป็นภาษาละวะงดเป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงสิบ อ, อะไรบ้างบาป อาตมาอธิอาตมาอธิบายเป็นอารมพบทเกินน้ำไปแล้วอยู่ในจอทั้งหลายจิ้มเขียเขียียจิมจิ้มจิเขียเียเขียจิ้จิ้มจิ้มเียงเียเขอยู่นั่นหละอันหนึ่งผิดปกติผิดปกติไ้ผิดปกติน้จิ้มไปจมาเสียหน้าที่เลยได้ยินว่าได้ยินเขาข่าวอยู่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะจิ้มเขียจนตาย ได้ยินข่าวอยู่เนะาะเดี๋นี้มันสื่อมันมันข้ามโลกได้เนาะไม่กินอาหารเขาว่ากี่วันนี่แหละนุ่นเห็นไหมเป็นไปได้ก็จิตของคนเนี่ยใ น, ใ น, ในี่ี่แต่แต่ธานรู้ตัวนี่แ่ะมันเสพติดเสพติดเหมือนกันก็รูปอยู่ในรูปมะรูปสีแสงเสีย ง, เ, ยงเห็นไหมเนะี่ยเออถื่อ เพราะจีดมันจะเกิดมาเกิดเพราะรูปสีสีแสงเสียงกินรสปวดจั๊กเออทำรมณ์เข้าใจสินะ เ, เออถ้ามันเสพข้าอวพอเรโอดโธมันต้องพูดเลยสินะ เ, เออแน่นนะ่ะเหตุนั่นแหะถึงว่ามันเกิดขึ้นจากอันนี้นี่เหตุได้นถึงว่าในโอวาสปฏิโมก่านทิมยกอันนี้ขึ้นก่อนมันเป็นศีลให้ละมัดระวังให้สํารวม เออมันเป็นบาปจริงๆได้โทษบาปคือโทษบาปคือแผดเผารอ้รอนๆเมื่อได้รับทุกภาษาเป็นภาษาบาลีนี่ออบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมนีเออ่เข้มข้นขนาดลหสนะสมาธิ คือตั้งมั่นในพระท่านใจเห็นไหม ม, มีมีการทําสมาธินี่เรานั่งฟังอยู่นี่เราไม่ได้เกิดนำมาว่าการฟังการฟังพอทําเทศนานะให้ทําสมาธิไปพร้อมคือฝึกสติตั้งฟังให้หลับตาอืมให้หลับตาเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนทําสมาธิมานั่งสมาธิอืมฟังจออยู่เสียงนะถ้าใครสามารถฟังได้ ระดับขนลุกสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่านั่นแหละได้ผลอะไรนะระดับหนึ่งเข้าใจนะที่นี่นะมันเป็นปรีดิถ้าน้ําตาไหลเออโอ้โหได้ยเดเยอะได้เยอะอีกเข้าใจนะที่นี่นะเนี่ยน้ําตาไหลเนะี่ยอืมมีฟังธรรมนะไม่ใช่ไม่ฟังธรรมอย่างเดียวสินะ่ะเวลาให้ทานเออเวลาให้ทานน้ําตาไหล เออมันเกิดพีดีเออมันเกิดพีดีกูสนจิตมันเกิดขึ้นแต่ว่ามีน้อยขนถ้าทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิอยู่ขนิกะ อ, ะอุปจาระอบปนาแล้ยแต่นั่นแหละคนเกิดลัลนะ่นเอเห็นนั่นละ่ะให้ฝึกสติไปพร้อมเพราะการปฏิบัตินั่นนะในพุทธศาสนานะ เห็นไหมที่อธิมาทิอธิบายทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญากล่มกลืนกันไปหมดใช่ไหมเป็นมรคสังคีใช่ไหมเหอนว่าแต่ละอย่างมันเป็นภาษาว่าเวลาจิตมันทํางานนะโอ้โถเออเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยเออมันสาอันทํามันไปมันฝ่ายไม่ดีนีมันทําลายโลกได้หรืว่าบ้านเมืองเราสัมพันธ์อยู่ในอะไรนั้นเข้าใจในที่นี้นะ ไปตกนรกหมอกใหม่ทางนั้นเลยจิตเนี่ยมันสามารถเหาะเหินดำดินบินบินบินบนเขาได้สามารถกําจัดกิเลสออกจากจิตใจนีเขาได้อะไรมูนี้เออมีผู้รู้ผู้เดียวเท่านี้ถ่านรู้ท่านเดียวยนสั้นลงมาแล้วไม่มีอะไ ร, รอย่างที่พูดเรื่องอนิยามนิยามไม่ฟัง น, ะนั่นนหะอืมอได้แน่น่ะนี่แหะ บำเพ็ญกุศลให้ถึงพรอ้อมมันหมายถึงสมาธิพื้นฐานแค่มั่นในพนัลลานไตไม่เสื่อมแล้วก็นั่นแหละเป็นกุศลแล้วเห็นนั้นน่ะในหลักนั่นะ่นนะถ้าเวลาใกล้ใกล้ใกล้จะตายมาหรือมีอะไรเนะี่ยให้ระลึกกุโฑนั่นแหละมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นกุศลเห็นนั่นเวลาเวลาไอ้คนป่วยเขาถึงประเตือนคนไข้คนป่วยนะ่ยให้ภาวนาให้ระลึกถึงบุญกุศล ไม่ภาวนาะนั่นเห็นไหมนั่นล่ละบมเพ็ญกุศลนั่นถ้าสามารถอยู่ในกุศลได้ถ้าเกิดจิตมันไอไอไอจู้ติตคือใจเคลื่อนจากสารจะไม่ได้ไปทุกคติเออจะได้สุคติอย่างน้อยที่สุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์เอออย่างสูงสามารถทาให้สูงได้ก็บำเพ็ญกุศล ถ้าจิตรวมลงไปสมาธิน่าสินนะพร ม, มโลกเป็นมหากุศลนเลยสินะง่ายๆง่ายเหลือเกินในพุทธศาสนาเนี่ยแต่มันปัญหาว่าการกระทามีใครสามารถไหมมีคนสามารถไหมสามารถทำได้ไหมไอ้ตัวนี่หละสินะก็ลงมาตัวคําอีก นั่นไงเห็นมเห็นไหมหไห ม, มันไปขั้นเป็นดอนไปเลยสิยนะ่เห็นนะั่นบําเพ็ญกุศลนันะ่ถึงพอมันหมายถึงสมาธิตัวสมาธิตัวอัปมาตอัปอปนาทแท้ๆนะเป็นมหากุศลมีชาวพุทธทั้งหลายเราให้เข้าใจนะเนี่ยชุมรมทั้งหลายพวกเราชุมรนมะให้เข้าใจมหากุศลน่ยนะอย่าเอาไปใช้ชุวยๆ ย, ยำเปรอะไปหมดบุพูดง่ายว่าซํามสน่นเอาไปว่าสารพัด เราพูดเรื่ราไม่รู้อีนู่นแล้วไปว่ากันเลเอาไปหลอกกันอีกเนาะโอ้ยมหากุศสอย่างนั้นอย่างนี้นมหาคุศสคือสมาธิอัปปนาเออใครอยากรู้ไหมถ้าใครสามารถทาสมาธิให้เป็นให้เป็นอัปอปนาได้นั่นแหละมหากุโสจะรู้เลยเออถ้าจิตรวมลงเป็นสมาธิถ้าใครถ้าใครเคยเป็นทำไนันนั่นแหละมันจะเกิด นีิมิตขึ้นมาเลยบวกขึ้นมาเลยในร ะ, ะยะหัวเรียวหัวโตวนาฏิสันติปรังสุขังเป็นภาษาบาลีขึ้นมาเลยเออมันอะไรเดี๋ยวจะว่าทีนะี่อันนี้อยู่แค่อุปจาระนะั่นนี่นะอุปจาระกับอุปนาหัวเรียวหัวโตเพราะไม่ขัดไม่โทนขณะอุปจาระอัปนาปนแปลได้ไหมไปได้เนาะเออ นาทีแปลว่าไม่มีสันติความสงบปรังยิ่งอย่างยิ่งสู้ขังความสิความสุขอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เ, ออเข้าใจไดนะ้แหมความสุขอันยิ่งใหญ่เพราะความสงบอะไรสงบใช่ไหดูไหมอกุศล อกคุศลไม่มีโลภะโทสะโมหะนิวรณ์สงบระงับเออให้เข้าใจเลเนะี่ยเพราะว่านิวรณ์โลภะโทสะโมหนะมันเป็นอกคุศลเนี่ยกิเลสอยู่ในเราเนี่ยมันสงบระงับนอนหลับเหลือแต่ธาตุรู้ละวนๆคือจิตกเิเลส ท, ที่บริสุทธิ์ผนะุดผองเห็นไหมเขาจึงบอกเป็นพุทธภาษตว่านัตถิสันติพลังทุ ข, ขัง จะรู้เลยเว้ยนะคุณของศาสนาคําสอนมูจอร์เนะจะไม่ไปเชื่อใครเลยสใช่ไหมถ้าคนได้สมาธินี่ยมันจะหนักแน่นออในในพระพุทธธรรมพะสูงหนักแน่นระดับสมาธิเออแต่มันเสื่อมได้นะ่เนี่ยคันรักษาไม่ได้มันเสื่อมมันเป็นมันเป็ น, น, ปนสังขารเออนี่นนะนี่แหละนี่นี่นี่นี่แหะ เมื่อจิตเขาไปอยู่ในใ น, ในอัปนาอย่างนั้นแล้วท่านเรียกว่ามาหากุศลกุศลเข้าใจนะที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยไอ้ไอ้รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอือคือความสงบของอกุศลกิเลสเออมันสงบละงานเนี่ยใกล้ๆเนี่ยใครสามารถทำก็ทำได้เลยจากนี้ไปหาวันตายเอาให้ได้ดูสิ นี่นะถ้าใกล้วันตายเข้ามาให้รักษาไว้ให้ได้เนยให้ทําสมาธินี่ถ้าทำสมาธิอปนาจะอยู่จับปนานได้และที่นี่กัจจุติตายไปพมโมโลกข้ามสวรรค์ไปเลยนี่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากเออ ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยนะได้กามาวาจรกุศลอย่างสูงกว่าสวรรค์เท่านั้นลักษาะสินให้ทานเป็นระดับขั้นอยู่แล้วไม่ใช่มหากุศลมันเป็นกามาวาจรกุศลให้เขา้าใจสิเนะี่ยอย่าไปอ้างมหากุศลมันม า, าหลอกกันชาวพุทธนะี่ยมหากุศลคือสมาธิจิตเป็นมหาคตัดหนึจิตตัวจิตเนี่ยเป็นมหาคตะมันเป็นภาษาบาลีมหาคตะคือความยิ่งใหญ่หนักแน่นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลย ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้นรืจะว่าให้ฟัง่งแม้จะมีใครมาขวางระเบิดมัดยิงปืนเข้ามาเนี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะมาทำลายได้เลยอืมสัตว์ร้ายมายังไงยังไงก็ไม่เส้สามารถจะมาทำได้เลยนั่นแ่ะมหากุศ่วนนันนี้กับกจิตที่เป็นมาคัตจจนะิตเขาจะรักษาชีวิตจิตใจนี้ไว้มันเป็นธรรมศาสตร์เขา รักษาไว้ได้ขนาดไหนทีนะี้ให้เข้าใจลมหายใจนี่ไม่มีคนได้อับนาแน น, นให้เข้าใจทนะีนี้มีที่นั่งอยู่นี่อาจจะมีคนว่าเวลาทาสมาธิเอยดุดว่าลมหายใจไม่มีใช่ไหมเนาะมีใครเป็นบ้าง เนี่ยเห็นมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้ว่ากำหนดลมหายใจกันเนี่ยมันละเอียดเข้าโอ้ละเอียดเข้าเลยโดนว่าลมหายใจวีโอ้ยกูจะตายหมือนเก็ยขึ้นมาเงือนั่นล่ะอืมไม่ได้เลยนะจิตมันจะรวมเป็นสมาธิก็ไม่รู้อืมก็เลยกลัวตายก่อนเงื่อันแหละเพราะว่าจิตนั่น่ะหลุดออกจากอารมณ์ไปจดจ่ออยู่กับกูจะตาย เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยงนอกกูไปแล้วใชนไหมก็เลยถอนเลยปุ๊บเลยไม่ได้เนี่ยเข้าใจในที่นี้นะนะเหตุนั้นอย่ากลัวอย่าไปใส่ใจอะไรจะมันเกิดขึ้นก็ช่างมันเอี่อย่าไปสําคัญถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมานะเออนี่นแ่ะมันจะหยุดเออมันจะหยุดมันจะไม่เป็นสมาธิเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นอย่างนั้นนะแตอาาอาาอ่อาการอื่นมันจะเป็นอีก จะไม่เหมือนกันเนี่ยลมหายใจมันจะละเอียดเขา้าละเอียดเขา้าละเอียดเขา้าถ้าเข้าไปอัปปนาจริงปุ๊บเนี่ยลมหายใจมันจะไม่มีว่าอย่างไงเนี่ยฮะอืมลมหายใจนี่ไม่มีอื ม, มาหากุศลอัปปนาชวนะท่นานใส่เสียงวันนี้เข้าใจนะสินสี่ภาษาบาลี อปปนาชาวนาะอือพูดงว่าอปปนาเจตสิทธิ์เขาจะรักษาชีวิตินทร์ศีนี้ไว้ไม่ให้ตายเข้าใจน่าทีนี่นะเออเนี่ยนะนี่พรธรรมศาติมนเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ม, มาคัตานะ่ะเป็นไปได้อย่างนั้นนะรมหายใจไม่มีอือ เจ็บปวดที่ไหนไม่มีเลยถ้าสามารถอยู่ได้นานเท่าใดเท่าใดก็ได้เห็นในพวกฤาษีสิไัยเขาอยู่ในนานเออ น, น่นนะอืมันรักษาชีวิตตีศีนี้ไว้ได้เป็นไปได้อย่างนี้น่ะนี่มหากุอแต่ถ้าเกิดวิบากอันนี้ให้ผลปุ๊บ ร่างกายนี้แตกดับคือได้ น, นะนะจุติปวยพร ม, มโลกตามขั้นฉันจะบอกไว้แล้วจะอยู่ชั้นนี้ชั้นนั้นชั้นนพรมสิหกชั้นชั้ น, อ, นอืมถ้าอัปนาอยู่ระดับรูปราวจรพราะไปอยู่ในขั้นรูปราวจร ยังมีสูงขึ้นไปอีกอรูปปาวาจรยังมีอีกเออพูดง่ายว่ารูปอรูปประชันรูปประชานรูปประชานมันมีอยู่สองขันขั้นละสีะ่ขั้นละสี่สี่แบบเนี่ยจิตเนเอยมีอยู่ในนี้แหละเออพิเศษ ทำจิตของตนให้หมดจดเป็นระดับระดับไปนับแต่โสดาสกิทาอนาคานาาเป็นขั้นขั้นไปโสดากับสกิทาทำลายกิเลสราคะโทสะยังไม่ได้ต้องกลับมาเกิดในมนุษยชโลกนี้อีกเจ็ดชาติหนึ่งชาติหรือสองชาติอย่างน้อยอย่างมากเก็ชาติไม่เป็นชาติที่ มันเป็นชาติที่แปดมีพระอริยเจ้าถ้าอาณาคามีทำอะไรราคากับโทสะได้แล้วไม่ลงมาเกิดในโลกนี้ไม่เป็นเพศหญิงเพศชายแล้วเพราะไม่มีราคาก็ไม่อยู่ชั้นสุทธวาวาทพรมพิเศษเป็นพรมพิเศษพรมเฉพาะของพระอริยเจ้า ห้าชั้นไม่เป็นเพศหญิงเพศชายเห็นไหมเป็นขั้นไปเลยเป็นอย่างนั้นอืมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นสั้นชั้นชั้นเลยแล้วก็บาลินิพพานชั้นนั้นเป็นเป็นพระอรหันต์ไปเลยท่านบอกไว้อย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นนี่หลักพุทธศาสนาอืมไม่ต้อง เมื่อเจ้ามาเสวงหาโรคใหม่อย่างไ อ, ไอนักวิทยาศาสตร์เขากำลังค้นหาอยู่นี่ทั้งหลายทั้งหลายถ้าไม่ามาค้นหาไอไอหลักคำสังสอนของผู้เจ้าไม่คน้นมไม่ค้นหาตัวเองเนี่ยโอ้หลงหลงเลยใช่มถ้าบำเพ็ญสมาธิได้ได้อภินยาเยนะหรือจะบอกไงอภินยารู้ไหม เออปิญญาเนี่ยอืมันเป็นคุณธรรมพิเศษเป็นความรู้พิเศษสามารถพิเศษเกิดจากสมาธิเนีเกิดจากสมาธิเนี่เข้าฌาเนเออรูปฌปานรูปฌานสามขั้นให้เป็นภสษีเสร็จแล้วไม่ต้องพูดแล้วสินะเออมีอะไรบ้างสแสดงลิฟต์ดได้ห่อเหินดำ ด, ำดำดินบินบนได้ ทำได้หลากหลายสารพัดอืมไปรูปคาพระอาทิตย์พระจัน์นี้ได้ท่านว่าอย่างนั้นเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องมาสร้างยา น, นอวกาศขึ้นมาออไปได้เลยแต่ไปแล้ว ไ, ไปได้ผู้เดียวเฉพาะเรา เ, าเพื่อนไปไม่ได้เอไปลัดมือเดียวเท่านั้น น, นี่นี่พระจันทรเนี่ยลัดมือตึ๊บเดียวเหมือนกับจิตของเราเนี่แหละ แล้วนึกแป๊บเดียวมก็ถึงแล้วใช่ไหมเออพระอาทีา่ประจันไกลขนาดไหนมันนึกแป๊บเดียวขนาดความคิดนึกนึกไ อ, ไ, อไอ้แค่นี้นะแล้วถ้าได้อภิญญาจะขนาดไหนสิเนี่ยให้เข้าใจสนะิเนี่ยยิ่งถ้านั่งเข้าวสารปุ๊บนี่อืมมีวิธีของวันเพราะว่าไอ้ไอ้ไอภิญญาเออเนี่ยมันเป็นไปได้อันนี้คุณคุณพิเศษของจิต ที่ฝึกมาได้อำนาจของสมาธิอืมแต่ว่าทําลายกิเลสไม่ได้นะเออทําลายกิเลสนั้นต่างหาก อ, นนอันนั้นเป็นวิปัชนาปัญญาพิเศษอันนี้เป็นเพียงแค่สมาธิเข้าใจได้ที่นะีะขั้นสมาธิเหตุได้ใช่ว่าศีลสมาธิปัญญาดีปัญญาถึง่า ก, กิเลสได้สามขั้นตอนนี่แหละพุทธศาสานจานให้ภากันทํำอ่าไปขอที่ไหนไมาได้แล้วทำเอาเอง เคยได้ยินไหมลูศีสีภัยเขาบำเพรศมานับกลับนํากันไม่ได้ชาตินี้ได้มาเป็นเออมีบุญบําเพ็ศแล้วได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรอาตมาจําไม่ได้จําชาติได้มาได้ชาตินี้ก็มาได้ป่าพินดาอีกได้เสด็จพระอนานต ได้ปัญญาของเก่ากลับขึ้นมาอีกเพราะเป็นนิสัยเออยังมีฤทธิ์อีกอยู่นะออเออดำดิบินมัได้หสารพัดแต่ยังรู้ไม่ได้ดูไหมไอจินไตเคยรู้ไอจินไตไหมเรื่องของโลกวิบากของกรรมชาญนชาญวิสัยดู้ไหมชาญวิสัยที่อาตมาว่าที่ทว่าอยู่นี่นะี ยี่หอเออบนินบินบินบินบนบนิบนบนหายตัวเนี่ยแสงนิแสดงนิได้อิตาลีสารพัดอย่างเนี่ยนี่แหละชาตินวิสัยพุทธทวิสัยมีสีอย่างม่งได้จิงใจเหตุนั้นภาษาวกองค์นี้ขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วแสดงนิได้ได้ปัญญาด้วยยังได้มาถามพระพุทธเจ้าอีกก็เลยมาทูลพระพุทธเจ้าความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นลูซี อเหืนดัมดีมินมาได้ก็เลยนึกยังไงอยากไปเห็นว่าไอ้มันเวิ้งทั้งหลายดาวลิบลาริลิบลาริลิบระยับอยู่เนี่ยมันอะไรมันไปไกลขนาดไหนดยอยากรู้อยากเห็นเออเข้าชาญพปุ๊บรัดมือเดียวไม่ลุกไปเท่าไหร่ชาตินั้น ไม่รู้อายุเท่าไหนท่านไม่ได้ว่ายุคไหนไม่รู้ก็ไม่ได้บอกไว้ไปทั้งชีวิตไม่กลับมาเลยไปดูอิจาวานอันนี้มันไกลกว้างขนาดไหนเป็นลือสียุคนั้นยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้ายังมีพุทธศาสนานี่เขาบำเพ็ญ สมาสิเนี่ยไปไม่กลับมาเลยแล้วจะไปไกลขนาดไหนทีนะ่เนียแล้วกลับมาได้ยังไงทีเนะี่ยนี่มาเกิดชาติใหม่นะเนี่ยเดิมาเป็นบรหารมนมาเป็นสาวกของบูรเจ้านะี่เกื่มาดูนมาจะโอ้ท่านเอ้ยมันเป็นอจินใจไม่ควรคิดไม่ใช่วิสัยของไ อ, อ, อ้สาวกไอ้ออบา ร, รมาิญาณ นั่นเห็นไหมนักดภาษากุกเนี่ยไม่มีปัญญาจะไปะรู้เลยเออไม่มีปัญญาสามารถจะไปะรู้ได้ดูสิขนาดพระละหันนั้น น, นนะเรียกผู้ดชนของเรานี่จะว่ายังไงเห็นนั้นจังว่าอจินใจไม่ควรคิดอนืนี่อาจจะมาจะยกอันนี้มาเป็ น, ม า, ปนมาเป็นอุทาหรณให้เลี้วคิด เหตุนั้นเราจะเราจะไปสําคัญอะไรเขาเขาสร้างยานอวกาศขึ้นไปดูไปนี่อู้ยอยพูดเลยเออพระหรหันไปรัดมือเดียวเนี่ยความเร็วจะขนาดไห น, นอย่ามาพูดใน ย, ยานอวกาศเนี่ยอที่เขาสร้างขึ้นมดี๋ยวีไปเลยขึ้นไปเนี่ ย, ยถ้าใครอยากรู้อยากเห็นถ้าใครมีอยากไปนก็ก็ภาวนาดูที่จะรู้ แต่ที่นี้ถ้าระดับพระอรหันต์แล้วทีเนี่ยเข้าใจนะหมดอะไรตายยากพูดเป็นภาษาเราเปรียบอุปมาเหมือนพวกเรานี่แหละทานข้าวเสร็จแล้วจะกินอีกไหมจะกินอีกไหมไม่กินเนาะใช่ไหมไม่หิวอีกแล้วไม่อยากอู่แล้วเหมือนกันแล้วใครจะอยากไปดูดูทำไมอย่างเงี้ยซูไหมล่ะ อยากไปเห็นทําไมอย่างเนี้ยใช่ไหมล่ ะ, อะของที่เราไปเห็นแล้วไปถึงแล้วอยากจะไปอีกไหมไม่อันนี้เปรียบเทียบนะเหตุ hey, นั้นผููเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าของหมูลนั้นมันไม่ใช่มันไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อสันติอืมความสงบไม่เป็นไปเพื่อนิพพิธาวิราคชวิมุตติสุทธิสันตินิพพานคนละมุมโลกกันแล้วใช่ไหม ให้เข้าใจสิ น, นะนั่นน่ะหลักพุทธศาสนาที่เป็นอย่างนั้นเออเมื่อไปรู้จริงๆแล้วเขาไม่อยากไปเขาไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องๆอย่างนั้นอืมเห็นไหมผู้สิ้นอาชาว ะ, ะง่ายๆละ่ะผู้สิ้นอาชาวะไม่อยากได้บุญเขาทําบุญไม่เป็นบุญเขาใจนั้นที่นี่นะเห็นในพระอรหันต์เนี่ยทำบุญไม่บุญทําบาปไม่เป็นบาปเพราะจิตมันไม่มีกิเลส จะให้มีเป็นให้มีให้เป็นอย่างนั้นนี่ว่าให้ฟังนี่นั่นนะ่ะให้ภากันทําอืมเอาชีวิตแรกเป็นเดิมพันกันเลยถึงได้ถ้าวันนั้นจ ะ, จะแค่สงบแค่ยังปราบมันไม่ได้นะักเกียรตินี่นะเออให้มันแค่สงบเป็นสมาธิเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่ไหวแล้วหนักแล้วแต่บัดนั้นต้องเอาชีวิตแรกถ้าไม่ชีวิตแรกไ ม, ไม่ไม่ได้อืม ทีนี้จะถามคือที่น่ะกิเลสี่มันเก่งไหมนะกิเลสอยู่ในใจของเราเนี่ยรู้ที่บ้านเมืองของเราด้วยสัมอยู่นะทั้งโลกนะที่มันเป็นมาเป็นมาแล้วแลวจะเป็นไปอีกนะมีเจ้าผู้เดียวเนี่ยหลักพุทธศาสนาอืเหนั้นโลภมูลโทสะโลไอไอไออโมหมูลโลภามูลโทสะมูลโมหามูลมันเป็นรากเหง้าของอกุศล อาุศนทั้งหลายบาป ท, ทั้งหลายที่จะเกิดที่จะเกิดมีเพราะไอ้นี้เหตุนั้นพระเจ้าจึงเอาศีลมาหลักศีลธมาที่ปัญญาคู่เป็นหมวดสามใช่ไหมศีลธรรมาที่ปัญญาโลภะโทสะโมหะทวารสามก็กายวาจาใจ<ม>เห็นไหมออกวนะ้เลยหมวดสามทั้งนั้นเลย ographers. แล้วหลักไอ้ขุศน์กับขุศน์เงี้ยบัณ กุศลรมะอกุศลธรรมาบิญญากรรมธมะออกมาเป็นสามอีกนะาบาปบุญไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญหมายถึงพันิพัาฑนั่นเห็นไหมออกมาเป็นคู่คู่คู่คู่ ค, ค, คู่ละสามเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่อยู่กับเรานี่แล้วเราจะทาให้มีไหมที่นี่เห น, นั้นดูนี้หมดใครจะไปทำอะไรอะไ ร, ะไรบ้านเมืองจะเสียหายอะไรอะไ ร, ะไรพระเจ้าพระสูงจะบวชปัน่นผวนอะไ ร, ะไรทั้งนั้นเ่อไอ้ น, นั่นเป็นเรื่องกิเลสของคน เขาใจหน้านทีนี่นะเอออืมวังข่าศัตศาสตร์อัตมา ท, ที่ว่าไอ้ฝั่งเออคำสอนของพระเจ้าแปดมื่นสีวันพระธรรมขันธ์นั่นอืมสูตะสูตะไหยะวยาการนะเออคาถาอุทานอิติพุตกะกู้ภูธรรมาท่านไล่ไปอันนั้นเป็นปริยัติอืมคำสอนยังดีอยู่ยังดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่าใคร ถ้าใครปฏิบัติเข้าใจนะมันอยู่กับการกระทําของคนนี่ให้สาวโพธิให้เลื่ให้รู้อย่างนั้นก็ถ้าเราปรุงรังกรรมมันไม่ไม่ีปัญหาเห็นไหมให้ใจเองให้พระเจ้าสอนให้จะให้ให้ใหใหจเจริญในอภินาถัฏิเวกขนาะนั้นเรามีความแก่เป็นธรรมดาเร า, ามีความจิบไข้เป็นธรรมดาเรามีความใจเป็นธรรมดาเรามีจากคั่นฝากจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นเนนเกิดมีกรรมเป็นประพันธ์มีกรรมเป็นทุกข์อะไรนี่จับหลักตัวกรรมนี้ขึ้นมามันเป็นกรรมของใครข้อมัน เขาทากรรมมาแล้วเขาต้องสวยกรรมเออเขาทําไม่ดีเนี่ยนเะที่เรารู้กันอยู่ดีเนะนี่ะนี่ถ้าให้จับหลักกรรมตัวนี้ไปเนียถ้าพิจารณากมตัวนี้แล้วทีเนี่ยมันจะวางเฉยเข้าใจหน้าที่นี้นะเออเดนีหนไหมเนี่ยห็นไห ม, หไหมอืมไอไอไอหลักเมตตาเขเหมือนกันเห็นไหมเมตตาคุณาบุตรยาอุเบกขาเอ๋แม่จ้องเจริญอุเบกขาเมื่อเจริญอุเบกขาแล้วนะมันจะไม่แช่งทำคนอื่นมันจะไม่เสียใจ แล้วก็วางเฉยน่าหนีไหมก็ไม่เป็นทุกข์อืมก็ปรุงลงกรรมความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเมื่อทํามาแล้วก็ต้องเสวยกรรมอย่างนั้นมาดูว่าใครตัวมันเออปัจจจังจําเพาะใครทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วเออมีชาวพุดไม่รู้หนุ่ยเนี่ยไม่รู้ว่าโอ้าศาสนาเสื่อม ความจริงาศาสนาไม่ได้เสื่อมถ้านบอกว่าเป็นภาษานี่ยนะาศาสนาก็อยู่ที่คนนี่หมดหลวงเอ๋ยถ้าจะแบ่งนะนี่นะ่ะศาสนาใคราศาสนามันเพราะว่ากูเป็นผู้กระทำเอาเองกูแบ่งใครไม่ได้ถูกไหมเออศีลก็ศีลของกูสมาธิก็สมาธิของ ก, ก, กูกิเลสก็กิเลสของกูเออกูกำจัดตอาเองถูกไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าจะย่นสั้นเข้ามาจิเนะ เรื่งองอวยว่าทําใครทํามันอืมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วเต่ทีนี้ระบบการบริหารเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักเอาไวไ้ว่าบริษัททั้งสี่พิกษุพิชณีอุบาสกอุเบสิกาตั้งขึ้นมาไว้เอาธรรมบ้างของพระพุทธเจ้าคำยังสอนเป็นตัวตั้งให้จับหลักยึดหลักพระธรรมวินัยคำยังสอนของพระเจ้าไว้เป็นแนวปฏิบัติเป็นบริษัท รู้ไบริษัทที่เขาว่าบริษัทบริษัทอยู่นี่มันเป็นภาษาบาลีเอามาจากภาษาบาลีของคําสอนของพระเจ้าได้แหะบริษัทเนี่ยนะบริษัทก็รู้อยู่เลยวยมารวมรวม ร, รวมกลุ่มให้ดูแลรักษากันพิษสูบเป็นหน่วยคอมมานโดหน่วยบุกเบิกหน่วยกลาาย้าใจเออไม่ต้องวิลูกมีเมียเนาะทิ้งหมดเลย เออเป็นหน่วยเป็นหน่วยคอมบอนโดเดยวบอว่าภาษากันเลเออมาต้องอะไรเห็นไหมเห็นครูบาอาจารย์ไหมประวัติครูบาอาจารย์เนาะเออกล้าใจไหมเอออย่มาพูดเลยหน่วยคอมนโดเขาขี่เขาว่าอย่างนี้สู้ไม่ได้เลยเออเห็นไวมน่ะทิ้งหมดเลยสมบัติเออไม่เอาอะไรสมบัติบุกเบิกเออใช่ไมล่ะแล้วก็สั่งสอนหมู่ที่นัน อุบาสกอุบาสออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยฮมพวกหมูนี้ส่งสเสบียงเป็นผู้ส่สะเบียงนี่แหละบริษัททั้งสีเนี่ให้เข้าใจอืมเจ้าอี้สีขาไี่อยู่ได้นี่ย น, น ะ, ะเตียงสีขาก็อยู่ได้เสาบ้านเสาเรือนสี่ขาอยู่ได้สี่เสาอยู่ได้อเอดี๋ยวนี้อย่าลืมนะพิสูจดีไม่มีเออมีแล้วนะ มีก็ไม่รู้มีแบบไหนละมีสามขาก็อยู่ได้นะรถาล้อไปได้เนาะไ่ไหนเห็นไมเอออย่าลืมนะทิ่นี่นะถ้าขาดอุบาสกวสิการผู้สนับสนุนนี่นะส่งเสบียงนะ่ะเสร็จเหมือนกันไม่มีผู้ปกป้องคุ้มครอ ง, องนี่เห็นไหมในี่กําลังรัศมีสายบ้านเมืองกำลังรัสายเหศาสนากำลังรัศมีสายนี่พวก พวกเราสำหรับพวกเราเป็นอุบาสกบวชสการนี่ยจะทำยังไงที่เราทำอยู่ในนี้ประกันได้ไหมประกันความมั่นคงได้ไหมอุปถัมภ์แค่นี้เนี่ยปะกันได้ไหมนัน่นอุบาสกบวชสการในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงพระราชาอืหมายถึงรัฐบาล ผู้มีอำนาจสูงสุดปกป้องอาณาจักรเป็นรักษารัฐธอันนี้เอาไว้เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็อยู่ในมวลนี้พระสูตรทั้งหลายก็อยู่ในมวลนี้ไม่ใช่หน่วยกาไม่ใช่หน่วยกระจาย เ, เ, เ, เ, เหมือนอย่างโลกเขาเนี่ยที่พระศาสนาไหมล่ะ สีนกี่เท่าไรไม่ใช่สองร้อยสองร้อยยี่สิบข้อนะเยอะกว่านั้นอีกปานาธิปตาข้อเดียวก็อยู่หมัดแล้วอุบาสกอุบาสิกานี่ก็เหมือนกันนี่เห็นมันรับมนรุษกี้ในปานาจิปตาโอ้ยอยู่หมัดเลยเนี่สู้เขาไม่ได้แลยทีเนี้ยถูกไหมล่ะจะประกำอาวุธจะจับอาวุธสู้เขาได้ไหมไม่มีทาง เหตุนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าเราวางหลักพุทธศาสนาไว้เป็นบริสัทสี่เนี่ยไม่มีลัทธิสมัยไหนไอ้ไอ้ไม่ริดไม่มีลัทธิใดศาสนาใดเลยปฏิบัติทำอย่างนี้วางหลักของศาสนาเนี่ยเหตุนั้นให้ตระหนักตัวนี้สิเนี่ยพวกเรามัไม่เคยพูดกันเออเหตุนั้นให้ไปไทยเขาไม่สามารถไปอยู่ในทางรัฐบาลนั่นถ้าไม่งั้นแล้วถ้ารัฐบาลพังเสรหมดเลย นี่เห็นเลยเป็นอยู่นี่นะยอมรับไปละเดี๋ยวนี้ไม่มีคนไหนเลยไม่มีใครเลยที่ที่ที่จะไปเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนาไอ้ชาพุทธของเรานั่งอยู่ในรัฐบาลนั่นเห็นไหมคนจะเขาทําคนที่เขาจะมาทําลายเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในรัฐบาลนั่นทุกทุกสมัยอยู่ในอินเดียก็เหมือนกันอืเขามาเป็นรัฐบาลใชเองกูเขาไปบริหารจัดการมันเองนั่นอูได้ไหมละ่ะเขามาปกครองเราเนี่ย เนี่ยก็หนักแต่ตนักไม่ดีเเนี่ยเพต น, นั้นแหละที่นี่ให้เราไปส่งเสริมหรือจะสามารถทําอะไรก็ได้ผู้บริหารเนี่ยประเทศชาติเนี่ยให้คนพวกหมูล น, นั้นเขามีอำนาจแล้วเขาจะปกป้องคุ้มครองดูแลเออพุทธศาสนาประชาส่วนทั้งหลายเพราะพศาสนาคือคนเออรวมศูนย์อยู่ที่คนอยู่ที่คนหมดเออถ้าคนไม่ดีแล้วก็เสร็จอืม ถ้าปกครองคนได้ก็เสร็จเลยสิเนี่ยไม่ต้องเลยอันนี้มู้นนี่ประกันไม่ได้เลยโบทวิหารซาลาโรงลานมันเป็นมันเป็นศาสนาวัตถุไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปสิเนี่ยถูกไหมล่ะนู่นเขามาตรัสเสบียงนู่นสินะกรรมเสบียงมันไว้เลยสิเนี่ยมันไม่มีเสบียงหรืองเนีไยมันไม่มีเสบียงสูงเสียไอไอไอไปบรรเป็นกุศลก็ตายหมดสิเนี่ยถูกไหมล่ะนั่นน่ะนี่วิธีการตรัสอำนาจไปเนี่ยไม่ให้มันมีอำนาจสิเนี่ยนั่นน่ะ อืมอำนาจเป็นใหญ่ในโลกบอกไว้หมดเลยสุภาษิตนะเห็นไหมน่เขาก็เลยมาเข้ามาอยู่มามาอยู่ในระบบการบริหารนี่นะกำอำนาจไว้หมดเลยหมดสิทธิ์สออินะเศรษฐกิจสเสียงกำไว้หมดเลยธนาคารเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทานาไม่ได้กเกษตรทําอะไรยากเลย พราเขากรรมเสบียงหมดเมื่อเสบียงไม่มีแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยนันน่ะเราก็ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้น่ะอุบาสธรมไม่ได้เลยตายหมดทั้งฝูงเสร็จแล้วนี่ไม่ยากเลยเออนี่วิธีการเขาตัดยุคสมัยเลยนี่นี่นี่เขาตัดร่อนไว้เลยเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กฎหมายก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ตัดเอาหนี้มาใส่ทั้งหมดเลยนี่ลืม ลืมกินำเบื้องต้นเนี่ยลืมลืมถาม ล, มลืมคิดไม่ถึงเนี่ยจะถามว่าใครไม่มีหนี้เพราะหนี่ไม่ใช่หมดเลยนี่กลนักขุนศรโลกนเออทำลายบางอยา่างเขาจะต้องยิงปืนพอโปอ่งเลยเนาะอามาย ม, มุกทั้งหลายทั้งหมดเลยอยู่ในจอเนี่ยให้มึงเขี่ยเล่นจิ้มเล่นอย่างนี้นนะละวลันเลย ระบบที่จัดสรรลงตัวอยู่นี้อยู่ในระบบแผนอะไรอยู่ที่บริหารอยู่นี่ทั้งนั้นเลยกีฬาทั้งนั้นเลยเอาจมูกอะมอมเลยสิเนี่ยเ็จะม่ยินนี่รักษาสมสิเนี่ยะไอ้พวกเล่นกีฬาเยวสารพัดอยู่นใช่มเเขาจะยอมเขาจะยอมมารักษาสีนใช่ไหมนะจะเลยไมตานามเออนั่นความมั่นคงของประเทศ ปากท้องจะรู้ไหมไม่ล่ะอบายยมุคคือความผิบผ a ย i ใช่ไหมอบายคือปากทางแห่งความผิบห a ยเป็นธรรมะพื้นฐานเลยธรร ม, มนูญของชีวิตเอออยู่ในหมดวดที่ขีดปฏิบัตินั่นเสร็จแล้วเขามานั่งอยู่ในในนั่งอยู่นั่งอยู่ในระบบการบริหาร ป, ประเทศนั่นเขาไม่เรียนไม่ศึกษาในพุทธศาสนาเขาอ้างว่าศาสนากับการเมืองการศึกษาอืมแยกกัน เสร็จหมดเลยสิน่ะคนคนเดียวนี่มันสมเสร็จอยู่นี่หมดแล้วมันแยกที่ไหนออกถุกไว้ล่ ะ, ะนั่นเห็นไหมก็เสร็จเลยสิน่ะดุล้านของเรานั่นนะ่ะเขามานั่งบริหารจัดการอยู่นละยไม่ยากเลยไม่ต้องยิงปืนพะโป้งนี่วิธีการนั่นเห็นไหมเอาอะไรมาสนะิสร้างระบบขึ้นมา อะไรมันเป็นสัตรูของของศีลธรรมในพุทธศาสนาก็อาบายยมุกก็เปิดไว้เลยทีเนี้ยสารลพัดให้มันเอือ้อกอฎหมายนั่นเห็นไหมเอาไปไว้แผนเลยแผนหลักเลยอย่างเงี้ยเวยไม่ต้องพูดเลยทีเนี้ยสูตายเป็นฝูงเลยทเนี่ยยอมรับไหมหไม่ยากนี่แหละ ว, วิธี N: เออเอาใบนะปากทางแห่งความชี้หมายพูดเจ้าให้เรามาละมาเมาว่เออพูดแล้วแน่ท hm uh> huh ี่พูดผ่านมาแล้วใช่ไหมอินทรียสังวรอินทรีสังวรอะไรศีลใช่ไหมรูปเสียงวินรถสัมผัสโหดถล่มห้าอย่างเนี่ยเต็มไปหมดแหละอยู่ในจอเนี่ยอันนี้แหละบาปจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นี่ไะศีลจะรักษาไม่มาได้สมาธิจะไม่ตั้งมั่นปัญญาจะไม่เกิดเพราะไอ้หมู่นี้เข้าใจสิเนี่ย เนี่ยเนี่ยน่เออ น, นี่เข า, าว่าิดเซรี่อยู่นี่เปิดสมาคมมาเซียนนี่อะไรจะเกิดขึ้นหนักนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่แค่นี้นะเออน่าใจหายเลยอาตมา ก, ก็อยากพูดนี่นี่พวกเราเนี่ยเอาเอาเอาไหวไหมอืมนี่หละเสียวเหตุ น, นั้นที่นี่นะ ถ้าปากท้องมันไม่อิ่มสบายงมันไม่มีเราจะมารักษาศีลได้ไหมจะมาภาวนาได้ไหมหยาดหยาผพามาบินทบาทจะมีอาหารใช้บาทให้พระไหมลูกหลานของเราจะเอาไปบวชได้ไหมหนุ่นมันสั้นเข่าสั้นเข า, ส, เขาสั้นเข่าเลยทีเนี่ย เออไปบวชแล้วเราจะสามารถไปอุเบมษ์ไหมบวชแล้วมันจะอยู่ได้ไหมโอ้หลากหลายสิเนะี่ยเพราะอบ า, ายยมุกมันเต็มไปหมด น, นู่นนะโอ้หนักนะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนไม่หมดเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วทิฏฐธรรมนิกตธรรมประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันคาถาเศรษฐีอุอากสะเศรษฐีกิจพรเพียงของนายหลวง จำปราญิกะรถะประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหนาทำสี่ข้อบอกไว้หมดพื้นฐานเออการทํามาหากินเพื่อเอื้อกันถ้าทำสี่ข้อรวมแล้วเป็นแปดข้อพื้นฐานสจำปราญิกถะไอไอไอทิฏฐะทําไมกิตถะประโยชน์ี่ยกับสจมปราญิกะถะประโยชน์ไอไอไ อ, ไ อ, ไอทิฏฐาทําไมกิตะประโยชน์อย่างละสี่ข้อเป็นแปดข้อเเน่เอื้อกันอยู่ เมือ่อเนี่ยเกษตรเนี่ยทำมาหากินอยู่ได้ศีล ร, รมก็เอื้อกันปฏิบัติได้เลยจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาได้อุปธรรมเห็นไหมของเราไม่ต้องไปขอรัฐบาลหลักพุทธศาสนาเน่ยบ้านนอกขอคาเมก็เหมือนกันเราทำได้เลยสร้างวัดสร้างวานเนะาะออ อัตมาบ้านเล็กๆอยู่แลนะ้วน่ะสามวัดเขาบวถามกันได้ยังไงนี่แหละหลักคุณธรศาสน า, ศาถ้าเกิดสเสบียงมันอะไรขึ้นมานะ่ะเดี๋ยวนี้หมดเลยอืมขายที่ดินปลูกยางปลูกข้าวไม่ได้เสียแล้วชเนะออขาดทุนเอาอะไรล่ะใช่ไหมปลูกอ้อยให้โรงงานปลูกปาม อปลูกยางราคายางเป็นยังไงบริษัทข้ามชาติทางนั้นเขามาซื้อนี่ขอว่าให้ฟังอย่ามองข้ามนะเอออย่ามองข้ามนะนี่เรานั่งได้อยู่เนี่ยเพราะกินมืน้อเช้านี่กินข้าวนะ่ะหมดกี่เม็ดนี่ น, น, น, าา น, น้ำมันอาจจะมาอะไรเกิดนําก่อนไว้แล้วเวลานิยามห้าอุตุนิยามพีชะพืชพรรณดัญญาหา อเอื้อกันไปหมดเลยใช่ไหมกมารมริยามจิตนิยามธรรมมิยา ม, ม, านยามอนิจังทุกขังอนัตตานี่นใช่ไหมเอื้อกันไปหมดเลยอืสัมพันธ์กันไปหมดเลยโอ้ธรรมะของมยวยญาณนี่อัศจรรย์จริงครอบไว้หมดเลยออ ม, มนุษย์จะเป็นอะไรเนี่ยอยู่นี่เนี่ยหมด ด, ดไมีได้ชั่วดีไม่ได้เลยครอบมาไว้หมดปฏิเสธไม่ได้เลย กุศลธรรมาอคุศลธรรมาปยากระตาธมาเอี่สามข้อเนี่ยรีกไม่ได้เลยมเป็นระดับรดับไปเลยให่นไหมละ่ะเหตุ น, นั่นลนะ่ะเก่งนะยังมาทําหล่อแหลกไม่ได้เลยมันอยู่นี่แหละผู้จะทําลายเราก็อยู่นี่แหละโลภะโทสะโมหันเพราะเราหลงเสียเองเพราะเราอยากเสียเองเพราะเราเครียดเสียเองถูกไหม นั่นนหะศัตรูมีอยู่ในนี้แล้วเขาก็เหยื่อมาให้เอาเชื้อมาให้เหตุ น, นั้นกิเลสกรรมรัวผ้าทอสัมโมหะวัตถุกรรมรูปเสียงกจิรุภาษาเห็นไหมเขาอันนี้เชื้อเพลิงมาให้นี่เห็นไหมเขาเปิดเซลีนะเปิดไม่ได้ศาสนาพุทธนี่ถ้าเปิดเสลีตายหมดอยู่ที่ไหนก็ตายหมดไม่มีเหลืออืมมันตายมาหลายประเทศแล้วพอเปิดเซลีอืม ถูกหรือไม่ถูกเออไหลเข้ามาสารพัดเลนะอยู่ไม่ได้แล้วสินะสั่นคลอนแล้วสินะอือเขาจะทําลายเราเขาก็อาศัยของมูนัน้นเซ็นแล้วไม่ใช่ใค ร, ไ ม, ใใครไม่ใช่ใครทําลายเรานี่แหละทําลายเราเองจะเอาจริงๆแล้วมันสักเรานี่ทําลายตัวเองเดี๋ยวจะยกจะยกพุทธวิญญาณนี่ ไม่มีใครทำลายพุทธศาสนาะก็พุทธบริษัทเนี่ยทำลายเองจริงพวกเราเนี่ยทำลายเองแล้วเข้าหลักกรรมไม่มีใครทำดีสำช่วให้ใครเจ้าตัวนั่นแหละทำเอาเองชัดแล้วจะทำยังไงทเนียอืมเราต้องจับหลักศีลสมาธิปัญญาไว้ ไม่ใช่ธรรมนักแคบแค่แแแนี้นะเราทำาแคบแอย่างนี้ไม่ได้หมดถ้าเราอยู่ประเทศนี้เราต้องรักษาประเทศไว้นวลอน่อะรักษาแค่แคนี้ไม่พอเน้นเห็นไหมมีชาพุษต์ไปนั่งในสภาไหมเราพึ่งเขาได้ไหมนั่นเห็นไหมอืมเน้เน น, น, นั่นอุบาสกอุบาสิกาผู้บริหารประเทศพระราชาผู้มีอำนาจ เห็นไม่ตั้งไม่นะเราพุทธศาสนานี่เรามองข้ามตัวนี้แหละเออนี่ศีลังกาเนี่ยเขาเรียนจบมาเออเขาเหลือเนีนน้อยนะั่นน่ะเหลือเนน้อยเลยโปรตุกเกสเข้ามาขยี้เออโรมันคาทอลิเข้าไปขยี้ขยี้เหลือเนียนน้อยเกือบแล้วพระหมดเกี้ยงเลยไม่มีก็มณิมนต์เอาที่วันไหนบ้างเราเห็นไหมนะ่ะประวัติะ ก็มณิมวลเอาอายุทยาส่งไปพระเก้าองค์ไปฟื้นฟูขึ้นมาเห็นไหมเดีนี่ก็ไปเป็นนิกายอันนี้ไอ้สยาม น, นิกายใครไปศรีรังกาไปทัวส์รีรังกาเขาจะพาไปมีมะอุบาลีเป็นหัวหน้าพาไปไปฟื้นฟูบวชสมมณีน์สรลังกะละขึ้นมาก่อนมีสัมเณีน์สรลังกะละอายุห้าสิบปีเป็นสัมมณีน์ไม่มีพระบวช เออหมดเลยสีลางกาเขาขา ย, ยวขนาดพักเกี้ยวแก้วเลยยังเอามากสีครกเรียกไอ้สาวพสีลังกามาดูระดับไอ้ในนั้นมาดูมาดูเดนะี่ยนี่หือของดีของพระสมณะไอ้กักเียวแก้วของพระสมณะคุณมเอามาโขกเสีครกแล้วบะเท ล, ลงทะเลนู่นน่ะเขาทำเออแต่ว่าเขาก็ไม่งงอเนาะ เขาก็เอาของปลอมของจำลองมาให้ถึงยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้สีร่างกายเขาประเด็ดสุดแล้วทดเยี่ยมพร้อมหมดเลยและธรรมนุนพรากอก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอะไรอะไรก็ เ, เพียบอืมขนาดพระยังมาเป็นอผู้แทนเลยเขามานั่งอยู่ในสภาเลยเพื่อปกป้องคุ้มครองอันนั้นของเขานะนี้ว่าให้ฟังใครได้ความรู้อืมเอาวันนี้ ก็อธิบายหลากหลายสารพั์ได้ความรู้เนาะเออเห็นนั่นชาพูดทั้งหลายสติสัมภสัญญาสติปัญญานี่อันนี้แหละเออเดี๋ยวนี้ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่บริบูรณ์สำหรับเราศีลก็ไม่รักษาโกงกินบ้านกินเมืองถูกไหมเออบ้านเมืองดับศูน ใช่ไหมทานก็ไม่แบ่งปันก็ไม่แบ่งปันนั่นแหละถึงโกงชูงไหมนี่เห็นไหมนั่นปัญญาก็ไม่มีรักษาประเทศชาติเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยเ อ, อบริษทัทข้ามชาติมากรรมกรรมกรรมกเปิดสมัคม่าเสี้ยนนี่จะหมดเกลี้ยงเลยจะไม่มีอะไรสร้างขึ้จะไม่มีอะไรเลยเขาทิ้งเขาทิ้งเอาให้เราคืออะไรนี่นี่เราจะแถบมาได้ที่นี่นะ สุขของข้าหลวงหัตอุบาสกอุบาจกามีอะไรบ้างสุขเพราะมีทรัพย์ยุคนี้สมัยนี้ยุคสมัยใหม่ทุกเพราะมีทรัพย์อือุบาสกอุบาจกาชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้ทุกเพราะมีของไม่สุขเสียเลยยอมรับไหมเมื่อทุกเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภค สุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคกลับกันอีกทุกเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคกลับกันอีกเป็นไปได้ยังไงยอมร้บไห ม, มสุขเพราะไม่มีหนี้เกิดอะไรขึ้นเบืดอะไรขึ้นเบอโทรเขาเจาะลงหัวใจเลยเนะขาเจาะลงหัวใจเลยสาวพุธเมืนะ่อจะประมาทนะ พระเจาะลงหัวใจเลยสุขเพราะไอ้สุขเพราะไม่มีหนี้กลับกันเนี่ย ท, ทุกข์เพราะมีหนี้นั่นเห็นไหมไม่ได้ไม่มีหนี้ธรรมดานะยุคนี้สมัยนี้ตั้งธนาคารหลอกไว้แล้วเอายกไปในธนาคารหมดเลยสมบัติไม่มีอะไรเลยนั่นเห็นไหมสมัยใหม่นี่ข้อาสุดท้ายสำคัญเลยเนะี่ยสุข เพราะการงานปราศจากโทษไม่มีโทษมีข้อนี้ยอดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมถึงเก่งไว้ถูกนะักไม่ผิดแม้แต่เกเดียวกลับกันอีกเนะี่ยทุกเพราะการงานมีโทษว่าโทษเดีย๋ยนี่สาวพุธไม่รู้ว่าหางานอะไรมาทําทุกกันหมดเลยนี่ข้อนี้ข้อเดียวมันจะโกยมาหมดเลยเนี่ยทั้งหนี้ทั้งอะไรอะ ไ, อ, ะไอีกสามข้อใช่ไหม ตัวโทเงินเห็นไหมมีแถมให้นะแถมทำมาให้จะเป็นข้อคิดจะไม่ดีๆนะเผล่ น, นั้นแสดงพระธรรมเทศนามาวันนี้หลากหลายแนวคิดโอโ้โหไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมให้เอาไปคิดแล้วให้ไปคุยกัอนอย่าทะเลาะกันนะนการยุ่งยงมาทะเลาะกันในหมู่ผู้ส่งกษัตริย์นักการเมืองนักศรรึกษาประชาชนอาจต้องใช้เงินมากก็ต้องยม เคยยินไหมเคยได้ยินยยไหมนี่เขาวางแผนไว้เป๊ะเลยต้องจ่อให้เลือดไทยมาไหลหมดตัวแล้วมันจะค่อยๆตายไปเองถูกไหมนี่ไม่ได้พูดเอาเองนะอืมมีเขาวางแผนไว้แล้วการขโมยเด็กไทยทํามาแล้วสามสิบเก้าปีขโมยต่อเอาไปฝึกมันให้เป็นมนุษย์สงครามนี่ไม่ภาคใต้เขามาทําอะไรบ้างนี่มันเต็มไปหมดตายเลยแล้วไปจริงหรือไม่จริง เดี okay. so, ๋ยวจะฝากหนัง <SPEAK> ส <IS ethn ology> right. really oh, no ือมาให้เอาไว้เรีเอามาไว้ในหอสมุดนี่ให้อ่านกันเมื่อเช้านี่ลืมจูกจีบมาแล้วก็ลืมหนังสือหลากหลายนี้อยากจะให้ไปส่งที่สาราลุงศิลแล้วจะฝากให้หนังสือมามีใครจะไปไหมความจริงมันมีคนจะความจริงมันมีคนมันมีคนจะมารับแต่เัง่เนี่เนีเขามารับเลมถ้าไปได้ก็ดีหนังสือมีอยู่นั้นหลากหลาย เอาเหตุนั้นออสิทธามัทุสิทธมัถุสิทธามั ถ, าม ถ, ามถุอีดังพลังขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จตามความมุ่ง ม, มั่ปรารถนาะดังประสงค์จํานงหมายทั่วหน้ากันเถินเดี๋ยวขอกขอาการทยถวายพระใจหลวงพ่อนะครับเราตั้ง น, นโมทัจบนะครับ namo tassa phaka wato araho taso a t s s a namo t a s a p k a w a t araho taso sama samputassa namo tassa p h a w a ต a h a s o ม a m a s a t s s a อิมานิมายังพันเตจีวรานิจะพาว่าพาว่าเอาหัวใจมันเลยนะอ่ะนะโมเลยเนาะสุทินังวตเมทานังอาสววกขยาวหังโหตุ อนาคาเตกาเลดุติยัมปีสุทินังวัจเมทานังอสวกขายาวหังโหตูอนาคาเตกาเลตติยัมปีสุทินังวัจเมทานัง อาสวัคคยาวหังโหตูอาสวัยาวหังโหตูอนาคาเตคาเลอนาคเตกาเ ล, าาลข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในผลทานยินดีในผลทานการให้ของการให้ของขอจงได้สำเร็จขอจงได้สำเร็จอาสวัคไ ข, ขอาสวไสิ้นไป แห่เงเครื่องดองสันดานดาถึงพระนิพาน พ, นพานในอนาคตาการเบื้องหน้าโน้ น, นาาเทิ น, นอเอาของแท้เลยของปลอมไม่เอาเนาะเอาของแท้ๆเลยจำไว้นะนัละเวลาไปไปถวายทานนิดๆหน่อยๆนะหน่อยให้เราเอามูลนี้ขึ้นมาอืม จึงถูกต้องเอายนนก็สาธุเลยกันเออสาธุเเออายก็กแ่หมดเด้อคามบุญเสียเออสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุยกขึ้นมาสาธุสาธุสาธุสาธุไม่ได้บุญเยอะนะมันเป็นอามิตรบูชาอยากได้เยอะให้บรรักษาสศีล อยากได้เยอะกว่าสีนอีกให้ไปภาวนาเอาไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เสื่องเดียวค่าโฉหุ่ยไม่มีเลยเออได้กำไรร้านเปอร์เซ็นถูกไหมเออถูกไหมถูกไหมถ้าถูกก็ไปทำเอาเองเถอะเออนั่นแหละมันง่ายปะนั่นแหละหลักพุทธศาสนานน่วางโนวางสาธุสาธุพอรู้แล้วน้องว่า อยากได้เยอะไปรักษาศีลไปภาวนาเนาะอือไม่ลงทุนไม่ลงทุนแม้แต่เสืึงเดียวอืออย่างนั้นแหละ ไ, ได้เท่าไหร่เป็นคนไรหมดเลยเนาะเงินเห็นไหมอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไหมมีแต่ความอยากแล้วไม่ทําเอาไม่ได้นะเนี่อยากมันไปกี่เหรียแล้วไม่ได้นะเ่อ สาธุสาธุพ่องวันสสาธุสสสอนุอ โ, นโมทามีจากนี้ไปสุดท้ายเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมคำว่าธรรมเนียมคือให้พรพุทธศาสนาแ ท, ท้ๆจริงนั้นไม่มีผล โดยจะบอกอาจจะมาประเทศอยู่ที่ไหนอะไยังไงจะพูดจะบอกชาวพูดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีพ ร, <c oughs> พ, รพุทธศาสาศนานี i ไม่มีพร <c oughs> พรนี้เป็นลัที่ของาศาสนาอื่นเ <c oughs> พราะว่าพุทธศาสาศนามันเกิดมาท่ามกลางมวลชนหลากหลายาศาสนาหลากหลายว่าท่านซ้ำอยู่ในเมืองอินเดียมันก็รู้เลยว่ามันขนาดไหนนั่นนหละเออ เขามีธรรมเนียมวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้รัฐทิเขาเขาเป็นอย่างนั้เออเเ น, น, นเขาบูชาแล้วเขาขอขอจากพระเจ้าขอพรจากพระเจ้าอยากได้อย่างนั้นอย่างน้นเหตุนนะั้นเขาคือมีการเส่นกันสวง เ, ออเห็นไหม ท, ที่ที่พูดให้ฟังไม่มีผู้แต่งนิยามห้าไม่มีผู้แต่งไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่เยอาเจ้าของเห็นไม้ม นี่นีนี่ไว้และที่ศาสนาอื่นเขาว่ามันมีผู้แต่งผู้สร้างมีผู้บันดาลมีเจ้าของมีมุมดิ้งพระเจ้าสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไอสารพัดใช่ไหมนั่นหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเขาจริงเส้นสวงไอสารพัดเขาฆ่าถึงคนนึงเส้นพระเจ้าเออเข้าใจที่นี่นะทั้งนั้นเลยทูบเทียนไอเนี่เห็นมบูและที่บูชาไฟเราก็ประทอดแบบเข้ามาเห็นไหมทูบเทียนเออเอามาเอามาแค่เนี้เออแล้วเอามาเอามาแค่นี้เดี๋ยวนี้รู้ไหม มนลภาวะจุดเยอะๆเออมันเขาจะโกอยู่ไหมนี่แหละพุทธศาสนาเป็นหลักกรรมเห็นไหมพูดๆเดี๋ยนิยาม้าใช่ไหมหลักกรรมมณิยามกรรมะนิยามมาวิริยวาทีเข้าใจนะวาทีที่วาจาเนียให้เพียรพยายามกระทำให้เกิดให้มี เออถ้าอยากได้ให้ทำเอานี่ อ, อืชัดนาซีเนาะเออชัดนาซีเนาะนี่หลักแท้ๆนะเอาง่ายๆเนาะเห็นไหมอาจจะมาให้ไปรักษาศีลได้เช้าเย็นให้ไปรักษาศีลได้ไหมเออแล้วให้แผร่เมตตาใช่ไหมอะไรใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องให้พรไม่ต้องไปรับพรใครถูกไหมให้ภาวนาภาวนาเนี่มันได้เองได้เดี๋ยวนี้เลยอการรีโก้ไม่ประกอบด้วยกันเวลาทั้งนั้น เออไม่มีสถานที่เกิดขึ้นที่นี่หมดถ้าทำแล้วได้เลย่ยงชัดไหมไม่ต้องไปขอพรใครนี่หลักพุทธศาสานาเป็นอย่างนั้นเมื่อเราจะหนักอย่างนี้แล้วจะไม่สงสัยกลังขาลังเลอะไรเลยให้ทำทาทาทำทาเห็นไหมที่มันเกิดอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่นี่นะทำกันทั้งนั้นเลยเออไม่พระเจ้าตนไหนไมาหยิบยื่นให้เลย เนีถูกไหมทั้งดีทั้งเร็วอะไรทั้งนั้นแตเราทาเอาทั้งนั้นแหละถูกไหมล่ะเออนี่ยให้จับหลักเ ส, ส้นนะี้ไว้ดีเสนเนี่ยเห็นไหมเรามีกรรมเป็นเดืนเกิดมีกรรมเป็นปอบบ้านมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสบายที่ที่สวดอยู่เนี่ยนะอภินันทัญญัตขนานั้นนะเออนี่ยนี่ยชัดขนาดนีน เ, นดนนนเนาะเนาะถ้างานก็นจะทาเป็นพิธีเนาะเอาตั้งใจส้นเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้เปน็นในวนนั่นบรรพบุรุษเจ้าการรมในเป็นด้วยเด้อเอออุตาหแล้ว ยถาวันิบังาปุราปริปุรนเณติสากลังเอวเมวะโตรินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะติังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเบปุระเนตุสังกปาจันโนปันรโวยถามณิโชติอุรโสยถาสัพพิติโยวจันตุสัปปะโรโกวินัสสะตุมาเตภวัตตันตระโยสุเคริกาโยโกภาวะ อภิวาทนาสีบริสันิจังวดาปจายโนจตารูดมะวันติอายุวันโนสุข ah ังมาลาง